เราจะมากันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะด้วยจังหวัดนี้อดีตเคยเป็นราชธานีหรือว่าเมืองหลวงของสยามประเทศมีชาวบ้านผู้รักแผ่นดินเกิดและก็บรรดาลเหล่าทหารจำนวนมาก ได้สังเวยชีวิตให้กับทหารพม่าเพื่อรักษาประเทศชาติค่ะศพแล้วศพเล่านับพันนับหมื่นชีวิตของทหารไทยและทหารพม่ากับชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ที่ต้องตายในสนามรบเพราะการแย่งชิงความเป็นใหญ่ในแผ่นดินนั่นเองเมื่อตายไปแล้วดวงวิญญาณของบรรพชนคนเหล่านั้นก็ไม่ยอมไปไหนนอกจากสิงอยู่ตรงที่ตัวเองสังเวยชีวิต เมื่อเวลาได้ผ่านมานับร้อยร้อยปีดวงวิญญาณของบรรพชนที่หมดเวรหมดกรรมก็คงจะได้ไปผุดไปเกิดสวยสุกกันพบหน้าแล้วยกเว้นเฉพาะดวงวิญญาณบาปนะคะที่ยังคงมีเวรมีกรรมอยู่จักต้องเฝ้าอยู่ตลอดไปจนกว่าจะหมดกรรมเมื่อนั้นถึงจะไปเกิดในพบหน้าเหมือน ก, นกันกับดวงวิญญาณอื่นค่ะ ดวงวิญญาณบรรพชนเหล่านั้นชาวบ้านเรียกว่าผีซึ่งสิงอยู่ตามสถานที่ต่างๆแล้วก็เป็นผีที่ไม่ธรรมดาซะด้วยมีความดุร้ายแล้วก็เฮี้ยนมากค่ะแต่จะหลอกแล้วก็เล่นงานเฉพาะคนชั่วทำตัวไม่ดีเท่านั้นส่วนคนดีผีเหล่านี้นะคะก็จะคอยคุ้มครองให้ร่ำรวยแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขนะคะ สำหรับผู้ที่เล่าเรื่องนี้ค่ะก็ได้เปิดเผยความลี้ลับของเรื่องผีให้ฟังบอกว่าบริเวณที่เป็นพระราชวังเดิมนั้นมีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองมากมายเลยนะคะที่ถูกฝังอยู่เพื่อมีให้ทหารพรม่าริบเอาไปไว้ที่เมืองหงสาวดีสมบัติเหล่านี้มีดวงวิญญาณเฝ้าอารักขาอยู่เพื่อปกป้องมีให้คนมาขโมยเอาไปเสมือนประหนึ่งนะคะว่าเป็นสมบัติของชาติ ผู้เล่ายังเคยแอบเข้าไปค้นหาทรัพย์สมบัติในพระราชวังเดิมกับเพื่อนนะะในเวลากลางคืนโดยจะให้ผู้ที่เรืองอาคมเนี่ยนั่งทางในดูบอกว่าบริเวณตรงไหนที่มีทรัพย์สมบัติฝังอยู่จากนั้นก็จะไปสำรวจ ด, ดูนะคะวา่าในตอนกลางวันแล้วก็ทำเครื่องหมายเอาไว้ พอตกตอนกลางคืนดึกสงัดค่ะก็จะนัดแนะเพื่อนเพื่อพบกันแล้วก็ไปยังบริเวณพระราชวังเก่ามีเพื่อนอีกคนคอยดูต้นทางส่วนแกกับเพื่อนสองคนก็ช่วยกันขุดหาสมบัตินะคะสิ่งที่ได้มาก็มีพระเครื่องเลี่ยมทองสำริดแล้วก็เครื่องประดับมีค่าบ้างเล็กน้อยได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นไม่มีเวลาที่ขุดหาสมบัติต่อต้องรีบไปก่อนที่ตํารวจหรือว่ารอปพจะมาเห็นก่อนนะคะ พวกแกก็ยังเดินไม่พ้นออกจากเขตพระราชวังก็เจอดีเข้าค่ะพอดีว่าไปเจอกันกับผีนักรบสวมใส่ชุดทหารถือดาบคู่ปรากฏกายหลายสิบตนหน้าตาผีแต่ละตนเนี่ยดุร้ายแล้วก็น่ากลัวมากพวกมันไม่พูดแต่ว่าแสดงอาการไม่เป็นมิตรเหมือนจะบอกให้พวกแกเอาสมบัติที่ขุดได้ไปเก็บไว้ที่เดิม เพื่อนแกบางคนก็ขัดขืนก็ถูกมันทำร้ายตบด้วยดาบบาดเจ็บเลือดไหลโชกสุดท้ายก็ต้องยอมทำตามที่ผีทหารโบราณบอกนะคะก็รีบเอาสมบัติที่ขุดได้ไปฝังไว้ที่เดิมพวกผีโบราณจึงปล่อยพวกแกกลับบ้านด้วยมือเปล่าค่ะผู้เล่าบางคนนะคะก็ยังเปิดเผยค่ะว่าเคยเจอดีที่พระราชวังเก่าเมื่อกลับจากไปดูลิเกก็ปั่นรถสองล้อมาตามลําพังคนเดียวบนถนนริมเมืองเก่า หูของแกได้ยินเสียงคนฟันดาบดังช่วงเช้งทั่ววังเก่าเลยนะคะก็ไม่นึกว่าจะเป็นผีแกเกิดสนใจ่ะจึงปั่นสามล้อเฉียดเข้าไปดูเพราะว่าตอนกลางคืนบริเวณพระราชวังเมืองหลวงเก่าทางการจะไม่ให้ผู้ใดเข้าไปเป็นอันขาดเมื่อเข้าไม่ได้ไม่เห็นจะเป็นไรค่ะก็ยืนดูอยู่ริมรั้วนี่แหละชำเลืองสายตาไปบริเวณที่มาของเสียงฟันดาบที่ดังแว่วมาน่าชงนมาก คือได้ยินแต่เสียงเหล็กกระทบกันดังสนั่นคล้ายจะสู้รบกันพร้อมกับมีเสียงตะโกนโวกเวกแต่กลับไม่เห็นคนเหล่านั้นแล้วอย่างนี้ไม่ดีแน่ต้องมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นซึ่งเชื่อนะคะว่าเป็นการจงใจของผีนักรบโบราณสมัยกรุงศรีต้องการจะหลอกแกแน่แล้วทีนี้เนี่ยแกจะอยู่ให้ผีมันหลอกหรือว่าอย่างไรแกคิดได้แบบนี้น ะ, ะก็รีบควบรถจักรยานสองล้อถีบเรวปรือไปจากที่นั่นทันที แกปั่นรถสองล้อห่างไกลออกไปเสียงดาบฟันก็ค่อยๆเงียบหายไปแกไม่รู้นะฮะว่าคนอายุทยาที่ผ่านวังเก่ามายามวิกาลจะโดนผีนักรบกรุงศรีอายุทยาหลอกกันกี่รายแล้ว อย่าง น, น้อยๆแกคนนึงแหละนะคะที่ตกเป็นเหยื่อเมื่อสักครู่ซึ่งโดนผีนักรบกรุงศรีอายุทยาสมัยโบราณหลอกกันเต็มๆจนแกต้องไปให้พระพูดเรื่องอาคมทำน้ำมนต์อาบเป็นการแก้เคล็ดก่อนจะมีเรื่องแร้ายเกิดขึ้นตามที่คนเท่าคนแก่สมัยก่อนพูดนะคะว่าคนที่โดนผีหลอกจะมีเคราะห์ร้าย เราชาวพุทธเชื่อเรื่องนี้จึงเชื่อคําพูดของคนโบราณค่ะก็ไปสะเดาะเคราะห์อาบน้ำมนต์ตามความเชื่อไม่เห็นจะเสียหายเนาะเรื่องแร้ายๆอาจจะกลายเป็นเรื่องดีก็ได้นะคะความเฮี้ยนของผีทหารโบราณที่เฝ้าในเขตพระราชวังเดิมเมืองอยุธยาอย่าคิดนะคะว่าเป็นแค่ตํานานหรือว่าคําเล่าขานหากจะเป็นเรื่องจริงทั้งนั้นท่านใดไม่เชื่อก็ลองไปพิสูจน์ได้ในตอนกลางคืนดึกๆนะคะ และที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองเก่าแล้วก็เมืองหลวงของประเทศไทยในสมัยอดีตนะคะก็ยังมีที่อำเภอโพสามต้นก็เช่นกันค่ะเคยเป็นสนามรบระหว่างทหารไทยกับทหารพมาร่ารบพุ่งกันทั้งสองฝ่ายต่างพลีชีพจากคมศาตราวุธนานาชนิดล้มตายเป็นจำนวนมากผืนแผ่นดินแห่งนี้ในอดีตเนี่ยมีประวัติศาสตร์บันทึกไว้ บอกว่ามีทหารพม่าจำนวนนับหมื่นนับแสนกรีธายกทัพมาล้อมกรุงศรีอยุธยาไว้และที่บ้านโพสต้นเป็นอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ทหารพม่าเป็นกองหน้ามาตั้งฐานที่มั่นเพื่อรอทัพหลวงยกลงมาตีกรุงศรีอยุธยาระหว่างที่รอทัพหลวงมาก็ได้มีชาวบ้านแอบลอบฆ่าทหารพม่าตายกันนับไม่ถ้วนเหมือนกันค่ะที่ไม่ตายก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส และศพของทหารพรมาร่าที่ตายก็ถูกชาวบ้านโพสามต้นชิงเอาไปตัดหัวเสียบประจานก่อนจะนำไปฝังไว้ตามป่ากลายเป็นผีเร่ร่อนจอนจัดกลับฐานที่ตั้งไม่ถูก ครั้นสงครามสงบลงผีเหล่านี้ก็มีความโกรธแค้นคนไทยมากค่ะจึงออกมาหลอกมาหลอนชาวบ้านถูกคําคืนไม่ได้ละเว้นแม้กระทั่งพระนะคะจนชาวบ้านก็พากันเดือดร้อนค่ะชาวบ้านก็ได้นิมนต์พระมาสวดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลไปให้ดวงวิญญาณทหารพม่าเหล่านั้นแต่ว่าผีพม่าก็ยังคงตามรังควานหลอกหลอนชาวบ้านอยู่ บางคืนนะคะก็จะมีผีทหารพมาร่านุ่งสรงคาดผ้าบนศีรษะถือดาบมาซ้อมฟันดาบกันกลางลานดินในวัดเลยละค่ะเมื่อพระลงมาดูเสียงนั้นก็หายไปพอคล้อยหลังไปเสียงฟันดาบก็จะดังขึ้นมาอีกนะคะจนพระสงฆ์แล้วก็สัมมาเนรเนี่ยต้องย้ายวัดไปจำพรรษาอยู่ที่วัดอื่น บางครั้งนะคะการนิมนต์พระมาสวดบางสุกุลทําบุญอุทิศวนกุศลไปให้ผีทหารไทยแล้วก็ผีทหารพมา่าอาจไม่ได้ผลนะคะเพราะว่าผีเหล่านี้เนี่ยตะบะแรงกล้าก็มักจะขอสิงอยู่ที่ที่ตัวเองตายไม่ยอมไปไหนนะคะทั้งที่หมดเวรหมดกรรมได้เวลาไปเกิดแล้วแต่ว่ายังไม่ไปค่ะ ขอเป็นผีสิงอยู่ที่เดิมคอยหลอกคอยหลอนชาวบ้านสุขใจสุขกายดีกว่าไหนๆเยอะเลยนะคะนั่นเป็นประสบการณ์ที่โดนผีทหารพม่า ตายที่นั่นที่อำเภอโพ3ต้นเนี่ยหลอกนะคะตั้งแต่ในอดีตแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่ามีชาวบ้านในละแวกนั้นเนี่ยมีใครบ้างที่โดนผีทหารพมาร่าหลอกแต่ว่าที่แน่ๆค่ะแกะโชคร้ายที่แกเจอดีโดนผีหลอกก็ได้แต่ภาวนานะว่าวันหน้าอย่าได้เจอดีถูกผีหลอกอีกเลยขอให้ได้ไปอยู่แบบต่างคนต่างอยู่จะดีที่สุดนะคะ เรื่องลี้ลับของทหารพม่าที่บ้านโพสมต้นสร้างความน่าสะพรึงกลัวให้แก่ชาวบ้านมาตลอดจนเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้านนี่แหละนะคะชีวิตของชาวบ้านแขวนไว้กับความหวาดกลัวไม่รู้ว่าวันไหนคืนไหนผีทหารพม่าจะออกมาหลอกหลอนอีกก็ได้แต่โปรงกับอนาคตไม่มีความแน่นอนนะคะเศร้าใจแท้ๆโดนผีหลอกที่นี่ผีก็คือผีค่ะคงจะเป็นผีต่อไปจนกว่าจะหมดเวรหมดกรรมนั่นแหละความเป็นผีถึงจะหมดไปนะคะ พูดถึงเมืองเก่าที่เป็นอยุธยาคงจะขาดที่นี่ไม่ได้สิงห์บุรีค่ะเพราะว่าจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยเป็นเมืองหน้าด่านด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือตอนกลางทหารพาม่าจะยกกองทัพมาทางบกเพื่อเข้าตีเมืองหลวงของกรุงศรีอยุธยาทุกครั้งจะต้องผ่านที่นี่นะคะชาวบ้านพู้เล่าเรื่องผีของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะเปิดเผยว่าผีที่นี่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นผีสมัยโบราณยุค ก, กรุงศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวงแล้วก็เป็นผีที่ค่อนข้างจะเฮี้ยนแล้วก็ดุเอาเรื่อง เคยมีหมอผีที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเรืองอาคมค่ะมาทำพิธีกรรมทางศิยศาสตร์ปลูกผีโบราณก็เพื่อวัตถุประสงค์ว่าจะเอาไปใช้งานนะ่ะนะปรากฏว่าหมอผีคนนั้นโชคร้ายค่ะปลูกผีตายหงคนโบราณขึ้นมาจากหลุมแล้วก็ใช้พระเวทอาคมบังคับผีให้เชื่อฟังตนไม่ได้สุดท้ายนะก็ถูกผีโบราณนี่จับหักคอหมุนรอบตัวตายอย่างน่าสังเวชท่ามกลางสายตาของลูกศิษย์ เมื่อเห็นอาจารย์ถูกผีฆ่าตายก็ต่างพากันวิ่งเพ่นนี้ไปคนละทิศคนละทางนอกจากนี้ก็มีเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นในอดีตนะคะบอกว่านักรบสมัยโบราณที่ตายในสนามรบมีทั้งผีหัวขาดผีคอขาดแขนขาดขาขาดอวัยวะไม่ครบถ้วนเต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งติดเกระกลาะกรังปรากฏกายให้ชาวบ้านเห็นในสภาพหน้าสั่งเวชเว ท, ทนายิ่ง บางคืนค่ะเดินมืดขึ้นข้างแรมก็มีคนเห็นผีขี่ม้ามีพลทหารผีเดินตามเป็นขบวนเลยพอทหารเหล่านั้นถอดหมวกออกก็กลายเป็นผีทหารหัวขาดบางศพนะคะก็หัวห้อยร่องแรงผีบางตนนะคะก็มีไส้ทะลักห้อยออกมาจากท้องสารพัดความน่าขยะขยงของผีที่นี่ บางคืนก็มีคนขับรถมาตามถนนยามวิการก็จะมีชาวบ้านนุ่งผ้าเติ๋วไม่ใส่เสื้อผู้ชายก็ไว้หนวดเครารุงรงังตามตัวเนี่ยมีรอยสักยันเต็มไปหมด บางคนใส่เสื้อกั๊กลงยันอักขระค่ะในมือของพวกเขาถือดาบถือหอกแล้วก็จอบเสียมไม้ไผ่ลวกแหลมเป็นอาวุธมายืนขวางถนนถืออาวุธโบกมือไปมาใครหลงกลนึกว่าเป็นชาวบ้านก็จอดรถรับรองนะฮะว่าเจอดีหลอกสรบคารถแน่นอนใครรู้เท่าทันก็จะขับรถชนคนพวกนี้แล้วก็บึง่งหนีทันทีสมัยนั้นนะะผีที่นี่ค่อนข้างจะเฮียนแล้วก็ดูเอาเรื่องมีคนจาก ต่างจังหวัดค่ะขับรถมาเกิดเสียกลางทางตอนกลางคืนแล้วก็ละแวกนั้นเปี่ยวแต่ว่าไม่มีบ้านคนอยู่เลยนะคือเปลี่ยวมากแล้วก็ไม่มีรถวิ่งมาสักคันหนึ่งเพราะว่ากลัวจะมีคนร้ายเอาขอนไม้มาวางขวางถนนแล้วก็คอยปล้นรถแล้วก็ทรัพย์สินนะคะพอมืดค่าถนนสายนี้ก็เลยไม่มีรถวิ่งยกเว้นรถตํารวจแล้วก็รถอาสาสมัครกู้ภัยเท่านั้นนะคะเจ้าของรถแล้วก็คนที่มาด้วยเนี่ยคงจะนอนกินข้าวลิงคืนนี้ ต้องรอให้สว่างคงจะมีรถผ่านมาก็ขอความช่วยเหลือได้ยามค่ำคืนเนี่ยมันวังเวงท่ามกลางเสียงร้องของกบเขียดแล้วก็จักะจันกับริงเรรายเสียงร้องดังระงมพวกเขาขนลุกอยู่ในรถไม่กล้าออกไปไหนมันค่อนข้างจะอึดอัดมากในสภาพเช่นนี้สักพักหนึ่ง ก็มีเสียงเคาะกระจกรถดังหลายครั้งก็ทำเอาคนที่อยู่ในรถเนี่ยตกใจตื่นนะคะแต่ก็ยังคงระวังตัวอยู่กลัวว่าจะเป็นผู้ร้ายจึงเฝ้าดูท่าทีอยู่ในรถค่ะเวลาผ่านไปจนมั่นใจว่าที่เคาะกระจกเนี่ยไม่ใช่คนร้ายแน่ก็เลยเปิดกระจกรถลง ร, รอบๆตัวก็มีแต่ความมืดแผ่ปกคลุมไปหมดที่มองเห็นแขกที่มาปรากฏตัวยางวิการก็มองไม่ค่อยชัด สิ่งแรกที่พวกเขาได้รับเต็มๆคือกลิ่นเหม็นของซากสัตว์เน่าลอยโชยมาทุกคนสูดกลิ่นเหม็นเน่าเข้าปอดกันทั่วนหน้าพอมีสติค่ะก็รีบมือเอามือเนี่ยปิดจมูกปิดปากกันพันละวันตรงกันข้ามกับคนแปลกหน้าไม่มีสีหน้าเสีสเอียนเหม็นกลิ่นดังกล่าวเลยยังคงยืนจ้องมองพวกเขาอยู่พร้อมกับชี้มือให้คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าพวงมาลายัยเปิดฝากระโปรงรถซึ่งเขาก็ทําตามที่ชายคนนั้นบอก แขกแปลกหน้าเดินไปที่หน้ารถก็ก้มเงยๆอยู่นานพอสมควรนะคะก่อนจะบอกให้เจ้าของรถจะตัดเครื่องเสียงเครื่องยนต์ดังกระหึ่มขึ้นท่ามกลางความดีใจของคนในรถชายแปลกหน้าก็ปิดฝากระโปรงรถเสียงดังโครมนะคะก่อนจะเดินมายืนอยู่ข้างๆรถทุกคนยกมือไหว้พร้อมกับขอบคุณชายแปลกหน้าแทนที่ชายคนนั้นจะยินดีกลับพูดแปลกๆว่าไม่ต้องมาขอบใจค่าหรอกข้าขอให้พวกเองทําบุญอุทิศส่วนกุศลมาให้ข้าก็พอใจแล้ว พูดจบค่ะชายร่างสูงใหญ่เหมือนคนโบราณหันหลังเดินแผละหายเข้าไปข้างทางท่ามกลางความตกตะลึงของคนในรถค่ะก่อนที่จะพูดเบาๆพอได้ยินกันในรถเท่านั้นก็บอกว่าผู้ชายคนนี้น่าจะเป็นผีสิ้นคําของคนในรถนะคะก็มีเสียงดังแว่วมาในรถบอกว่าใช่สิวะก็ข่าเป็นผีแต่เป็นผีมีศีลและธรรมนะโว้ยอย่าดูถูกข่าไม่งั้นพวกเอ็งนอนกินข้าวลิงที่นี่แน่ เท่านั้นแหะค่ะคุณผู้ฟังทุกคนรีบยกมือไหว้พากันขอขมาโทษผีแปลกหน้าตนนั้นก่อนที่พวกเขาจะขับรถเพ่นจากที่นั่นไปแล้วก็ตรงที่รถคันนั้นมาเสียที่แท้นะคะก็เป็นป่าช้าฝังศพแล้วก็เผาศพของคนตายนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังถ้าเป็นคุณผู้ฟังเจอแบบนี้จะทําอย่างไรดีเมื่อเห็นผีกันจะจ ะ, จะต่อหน้า ต, ต่อตาช่วยบอกหน่อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีคําตอบมีก็ได้แต่คิดไปเองนะคะว่าคุณผู้ฟัง หลายๆท่านเนี่ยต้องขนลุกชัวแน่นอนเลยแต่ว่าที่แน่ๆค่ะยืนขาอ่อนเยี่ยวรถกันเก่งจริงไหมน่าจะมีคนที่เป็นแบบนี้บ้างอะนะคะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผีโบราณเหมือนกันแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อําเภอบางระจันนะคะอําเภอบางระจันค่ะเป็นเรื่องราวของผีรักแผ่นดินจับหัวขโมย ในอดีตนะเมื่อสมัยกรุงศรียอยุธยาตอนปลายก่อนจะเสียเมืองแก่ทหารพมา่าที่นี่เนี่ยก็มีประวัติที่ถูกจารึกบันทึกไว้นะฮะว่าหมู่บ้านบางระจันแห่งนี้ชาวบ้านไม่ยอมอ่อนข้อให้กับทหารพมา่าได้รวมตัวกันปกป้องผืนแผ่นดินสู้ ก, กันกับทหารพมา่ายอมพลีชีพในสนามรบอย่างองอาจเป็นที่เลื่องลือสร้างวีรกรรมจนเป็นตำนานประวัติศาสตร์ชาติไทยจนตราบจนทุกวันนี้นะคะ เมื่อนั ก, กรบผู้กล้าชาวบางระจันจับดาบจับหอกแล้วก็อื่นๆพอที่จะเป็นอาวุธใช้ควายเป็นพาหนะแทนม้าสู้รบกับทหารพรม่าจนตัวตายในแผ่นดินเกิดดวงวิญญาณคนกล้าเหล่านั้นมีได้ไปไหนเอียงคงสิงอยู่ในที่เกิดเหตุอันเป็นสนามรบ200กว่าปีที่ผ่านมาค่ะในอดีตไม่มีผู้ใดได้เห็นและก็ได้สัมผัสกับดวงวิญญาณคนกล้าแห่งบ้านบางระจันกันบ้างเลยหรือเปล่า เรื่องนี้เนี่ยก็ได้ไปนํามาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะซึ่งทางผู้เขียนเองเนี่ยเขาบอกว่าเขาไปทําข่าวที่ค่ายบางระจรันแห่งนี้ซึ่งเป็นค่ายคูประตูหอรบที่ทําจากท่อนไม้ณนะปัจจุบันก็คือยังคงปรากฏอยู่บรรยากาศภายในค่ายวังเวงน่าสะพรึงกลัวค่ะยามค่ําคืนเชื่อว่าไม่มีใครกล้าเดินมาแน่พร้อมกันนั้นก็มีอนุสาวรีคนกล้าชาวบ้านบางระจรันประดิษฐสถานตั้งตระงานอยู่ตรงข้ามกันกับค่ายบางระจรันและได้สัมภาษณ์กับ พระคุณเจ้าแล้วก็สัมาเนนตลอดจนชาวบ้านบางระจารันทั้งหมดนะคะก็ไม่ประสงค์ออกนามได้ความกระจ่างนะคะว่าเมื่ออดีตนั้นเนี่ยมีชาวบ้านเคยเห็นพระอาจารย์ธรรมโชติซึ่งเป็นพระเกจิผู้เรืองอาคมที่ชาวบางระจารันให้ความเคารพนับถือมาปรากฏตัวในยามวิกาลในค่ายบางระจารันแห่งนี้ ท่านเนี่ยเป็นตัวตั้งตัวตีปกป้องผืนแผ่นดินไทยนะแล้วก็ปลูกเสกเครื่องรางของขลังไม่ว่าจะเป็นผ้ายันดาบมีดหอกสาต์ตราวุธให้แก่ชาวบางราจารันผู้กล้าออกรบสู้รบกับทหารพม่าอ ย, อย่างอง อ, งอาจคึกขนอง บางคืนก็จะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ดังแว่วมาเสียงสวดมนต์ดังเย็นเยือกค่ะชวนขนลุกบางคืนก็จะได้ยินเสียงชายโยโหดร้องดังลั่นละแวกนั้นแล้วก็ยังมีเสียงเหล็กตีกระทบกันตามมาในค่ายบางระจารันแห่งนีน้มีอะไรลึกลับยากที่จะคาดเดาได้ก็น่าเชื่อนะคะว่าจะเป็นดวงวิญ ญ, ญาณของนักรคผู้กล้าบรรผชนของคนบางระจารันหรือเปล่าที่ท่านได้เสียชีวิตมานานกว่า200ปี ซึ่งผู้เล่าก็เป็นพระนะคะซึ่งบวชมาหลายพรรษาแล้วก็ได้เคยนั่งสมาธิกรรมาฐานในค่ายบางราจารันแห่งนี้หลายสิบครั้งเหตุเพราะว่าที่นี่สงบเงียบนั่นเองค่ะ เหมาะสําหรับส่งนั่งวิปัสนากรรมฐานมีพระและก็สัมมาเนนพากันนั่งวิปัสนากรรมฐานแล้วก็เดินจงกรมบ้างได้เจอกับหมู่ดวงวิญญาณผีที่มาปรากฏตัวยามวิกาลเล่นล่อเอากับผีบันผาชนคนกล้านนะักรค บ, บางระจันนี่ก็ทำเอาพระสงฆ์แล้วก็สมมาเนนตะบะแตกไปหลายรูปเหมือนกันแหกโค้งกันนะฮะพากันวิ่งหนีผีเป็นคนอาทิตย์คนละทางจนเกิดความโอลหมานวุ่นวายกันขึ้น มีพระแล้วก็สามเณรวิ่งหนีผีนักรบแห่งค่ายบางระจันหมดเรี่ยวหมดแรงเป็นลมล้มพับนอนแผ่หลาสองสลึงหมดสภาพความเป็นพระแล้วก็เนนจริงๆพระแล้วก็สามเณรที่เพิ่งจะบวชใหม่เนี้ยยังไม่มีพระเวทกันผีหลอกไว้ป้องกันตัวสักรูปหนึ่งพอตื่นขึ้นมาแทนที่จะพบว่าตัวเองนอนอยู่ในค่ายบางระจันค่ะ แต่กลับมานอนอยู่กลางป่ารกทึบซึ่งมารู้ตัวภายหลังว่าผืนป่าแห่งนี้เคยเป็นป่าช้าแล้วก็เผาศพคนตายก็ทําเอาทั้งพระสงฆ์แล้วก็สั ม, มเนยขวัญหนีดีฟอใจเต้นระทึกขย่าประสาทที่มานอนในป่าช้าและไม่รู้เหมือนกันนะว่าพากันมานอนในป่าแห่งนี้ได้อย่างไรคงต้องหาความจริงให้ปรากฏไม่มีใครรู้ค่ะนอกจากคนเท่าคนแก่ในละแวกนั้นและจะมีพระแล้วก็สัมมเนยรูปไหนใจถึงใจกล้า ไปถามญาติโยมคนเท่าคนแก่ดีไม่ดีอาจถูกตําหนินี่ฮะว่าถึงเป็นถึงพระเป็นถึงเจ้าเป็นถึงเนนนะฮะทำไมมาวุ่นวายจุน้นจ้านเรื่องผีพระก็ควรอยู่ส่วนพระหากเจอลูกนี้เข้าไปเนี่ยทั้งพระทั้งเนนก็จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพระท่านบอกมานะคะแล้วก็อีกรายหนึ่งเป็นชายสูงอายุค่ะห้อยพระเครื่องแล้วก็เครื่องรางของ ข, องของลังนี่เต็มคอดูแล้วน่าศรัทธาเลื่อมใส แล้วก็หรือว่าแกจะเป็นหมอผีหมอคุณสายซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้เขียนเองก็เดินลิบเลียบเคียงเียง เ, เข้าไปคุยด้วยก็ได้ความจริงค่ะว่าเมื่อก่อนหลาย10ปีนะี่แกเองเคยเป็นหมอผีนะพออายุมากขึ้นสังขารไม่เอื้อค่ะความจําไม่ค่อยดีขี้หลงขี้ลืมเวลาบริกรรมคาถาอาคมเนี่ยมักจะท่องขาดเกินแล้วก็ผิดทําให้พิธีกรรมเนี่ยมันไม่ขลังแกก็เลยรู้ตัวค่ะก็เลยวางมือซะเลยแล้วก็เปลี่ยนอาชีพมาเป็นหมอดูแล้วก็ขายพระ กับเครื่องรางของ ข, องขลังเพื่อเลี้ยงชีพตัวเองนะคะลำพังเงินผู้สูงอายุที่รัฐบาลให้เดินละ5 600เนี่ยแกบอกว่าไม่พอยาไส้หรอกต้องหาอาชีพเสริมช่วยเหลือตัวเองจะทําจนกว่าจะหมดลมหายใจนั่นแหละนะคะผู้เขียนเองก็สมมุติว่าแกชื่อเท่าสอนค่ะแกมีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นชาวบางระจันแต่กําเนิดหากนับเครือญาติกันแล้วในจันหนวดเคี้ยวเนี่ยเป็นบรรพบุรุษของแกซึ่งเป็นสิ่งที่แกน่าภูมิใจมากที่แกมีสายเลือดนักสู้แห่งบางระจัน เท่าสอนได้เล่านะคะว่าแกมาขายพระนั่งดูหมอทํานายดวงชะตาชีวิตให้แก่นักท่องเที่ยวพอง่วงแกก็จะกางเตียงผ้าใบาเอ็นหลังงีบเอาแรงวันเสาร์อาทิตย์นักท่องเที่ยวก็จะมากันเยอะนะคะข้าวของก็ขายดิบขายดีมีลูกค้าอุดหนุนมีเงินติดกระเป๋าไว้ใช้หากว่าเป็นวันธรรมดาก็จะเงียบเหงาหน่อยไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวแกก็เล่านะคะว่าทุกครั้งแกที่ที่แกม้อยหลับไปเนี่ยแกก็จะฝัน เห็นผีเป็นนักรบบางระจร h, ันศีรษะคาดผ้ายัน์สีแดงห้อยตะกรุดเสกอาคมสวมเสื้อกั๊กลงยันอาคมบ้างก็มีรอยสักยันเต็มตัวเลยนะแกบอกผีเหล่านั้นเนี่ยเต็มไปด้วยคราบเลือดแห้งเกลื่องกรงังใบหน้าผีทุกตนเศร้าหมองแล้วก็ไม่พูดไม่จ่ากับใครผีเหล่านี้เนี่ยจะเดินไปเดินมาทั่วค่ายบางระจันเหมือนจะเฝ้าระแวดระวังค่ายมิให้ทหารพม่าจู่โจมแกก็พยายามพูดคุยกับผีเหล่านั้นแต่ว่าไม่มีผีต้นไหนนะคะที่จะคุยกับแก แกไม่มีเรื่องคุยอะไรมากค่ะจะขอแค่เลขเด็ด3ตัวไปแทงหวย ก, ก็แค่นั้นแกบอกหรือว่าผีพวกนี้จะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ไม่รู้ว่าแกจะมาขอหวย เ, เนาะก็เลยไม่มีใครคุยกับแกก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันนะคุณผู้ฟังแล้วก็อดีตมีนักท่องเที่ยวมาจุดธูปสักการะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในค่ายบางระจันค่ะกลับไปซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่แล้วก็กลับมาแก้บนด้วยอาหารข้าวหวานพร้อมกับมีมหะหรสศพแกอยากจะรวยเหมือนเขาบ้าง ก็เลยตั้งใจจะขอเลขเด็ดๆแค่สมตัวจากผีบรรพชนคนกล้าเท่านั้นแต่ก็ต้องผิดหวังไม่มีผีต้นไหนคุยกับแกเลยแล้วอย่างนี้แกจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ผีเหล่านี้หรือเมื่อใจจืดใจดำแทงกั๊กอย่างนี้แล้วเนี่ยแกจะช่วยไปทำไมแกบอกนะคะปล่อยให้ผีเหล่านี้อดไม่ดีกว่าหรอเออเนาะว่ากันไปนะคะผีที่ค่ายบางระจันเนี่ยน่ารักทุกตนแต่ว่าจะเฮี้ยนกับผู้ที่ไม่หวังดี อาคาตผูกพยาบาทเอาถึงตายนะคะเมื่อก่อนโน้นเคยมีแก๊งหาของโบราณมาตรวจตามวัดแล้วก็บราณสถานเก่าแก่พอศบโอกาสนะคะก็จะขโมยเอาของมีค่าไปขายในตลาดมืดพวกมันนึกว่าในค่ายบางระจารันคงจะมีของมีค่ามีอายุเป็นร้อยๆอยปีก็เลยส่งคนเข้ามาหาข่าวในค่ายแห่งนี้ทำทีเป็นนักท่องเที่ยวถามนู่นถามนี่เกี่ยวกับผู้เกี่ยวข้องพอได้ข้อมูลแล้วก็จะกลับไป พอโอกาสเหมาะยามวิการค่ะมันก็จะขับรถกลับมาพร้อมอุปกรณ์งัดแงะที่ค่ายบางระจันพวกมันได้ใช้แฉลงงัดประตูโบสถ์ที่ทำจากไม้สักจนพังเข้าไปอุ้มพระพุทธรูปบางต่างๆหลายองค์ใส่รถบรรทุกนะคะยังไม่ทันที่รถจะขับออกจากค่ายเลยค่ะพวกมันก็เจอดีมีผีนักรบผู้กล้าแห่มาลายล้อมรถของมันไม่ให้หนีไปไหนเจ้าคนร้ายเนี่ย ที่เป็นหัวหน้าเห็นท่าไม่ดีใช้ปืนยิงใส่คนร้ายนึกว่าเป็นคนแต่ว่ากระสุนทำอะไรพวกผีไม่ได้ตรงข้ามค่ะพวกมันโดนผีนักรบผู้กล้าเนี่ยรุมทำร้ายสะบักสะบอมหนีไม่ได้นอนฟุบสลบอยู่บนรถนะคะจนกระทั่งตอนเช้าก็มีชาวบ้านมาเห็นคนพวกนี้นอนสลบอยู่แล้วก็เห็นที่ทายรถเนี่ยมีพระพุทธรูปปางต่างๆหลายองค์วางเต็มไปหมดก็เลยแน่ใจว่า พวกนี้เนี่ยเป็นหัวขโมยแน่นอนก็เลยได้ช่วยกันเอาเชือกมัดมือมัดขาเอาไว้ก่อนจะแจ้งไปยังโรงพักตํารวจให้มาจับลากคอมันเข้าห้องขังชดใช้กรรมในคุกต่อไปเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมคนไม่เห็นผีแต่ผีเห็นก็เลยรุมลงทันคนร้ายจนสลบบางครั้งผีก็มีประโยชน์นะสร้างอะไรดีๆเหมือนผีที่ค่ายบางนาจันนะคะ นี่ก็เป็นเรื่องราวของเท่าสอนเล่าประสบการณ์ในอดีตนะคะให้เราได้ฟังบางส่วนซึ่งใครที่ผ่านไปค่ายบางระจันก็อย่าลืมไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอสิริมงคลแล้วก็ขอพรให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพด้วยและผีนักรค บ, บางระจันเฮี้ยนแล้วก็ดุมากนะคะอันนี้เนี่ยใครที่ไปด้วยกายว่าใจใจที่ไม่ค่อยสู้จะดีนะก็ ระวังตัวไว้นิดหนึ่งละกันเนาะเอาล่ะค่ะหมดเวลาแล้วนะคะส่วนเรื่องราวของผีบรรพชนรุ่นเก่าๆนะคะหรือว่าจะเป็นผีในยุคกรุงเสีอ ย, ยุธยายังไม่ได้หมดอยู่แค่นี้นะเดี๋ยวตอนหน้าเราจะพาคุณผู้ฟังไปฟังเรื่องผีที่จังหวัดสุขโขทัยกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ คำพูดที่ว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่นั้นเป็นคำพูดที่สามารถใช้ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะไม่มีคำว่าเชยหรือตกยุคตกสมัยเรื่องราวหลายอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกใบนี้มีหลายเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วไม่สามารถจะพิสูจน์ทางกระบวนการวิทยาศาสตร์ได้แต่นั่นย่อมไม่ได้หมายความว่าจะเป็นเรื่องที่โกหกหรือไม่จริงค่ะ เรื่องเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องที่อยู่เหนือธรรมชาติหรือว่าอยู่เหนือเกินกว่าที่สตร์ทั้งปวงจะเข้าไปถึงเกินกว่าที่เราๆท่านๆจะเข้าใจได้ด้วยตนเองผู้คนในยุคปัจจุบันไม่ค่อยมีความเชื่อเรื่องดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นกันสักเท่าไหร่ ซึ่งการที่พวกเขามีความคิดเช่นนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าโลกที่เปลี่ยนไปความเจริญก้าวหน้ากา็ทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางเทคโนโลยีก็มีมากขึ้นนะคะมากจนทำให้เข้ามามีบทบาทในชีวิตของมนุษย์ในแทบทุกๆเรื่องไม่เว้นแม้แต่เรื่องความศรัทธาและเรื่องของความเชื่อนะคะหากใครจะคิดแบบไหนเราก็ไม่สามารถที่จะไปบังคับความคิดของพวกคนเหล่านั้น ทั้งหมดทั้งปวงได้ให้เป็นทิศทางเดียวกันเพราะว่าเรื่องราวบางอย่างถ้าไม่ได้ประสบพบพานมาด้วยตัวเองก็จะไม่เชื่ออย่างเด็ดขาดค่ะคล้ายกับเป็นเรื่องที่เพิ่งเคยเจอมาไม่นานนี้เองเรื่องมีอยู่นะคะว่าคุณปรีชาค่ะเป็นคนต่างจังหวัดคนนึงที่หวังจะมาขุดทองในกรุงเทพเหมือนใครอีกหลายคนซึ่งที่พักที่อาศัยของอคุณปรีชาก็ เหมือน ก, นกันกับคนอื่นๆในกรุงเทพนี่แหละนะคะส่วนใหญ่ที่พักตามห้องเช่าบางทีก็าราคาถูกๆ ก, ก็พออยู่ได้นะคะแล้วก็หนึ่งในหลายทางเลือกของคุณปรีชาก็คือการเช่าแฟลตราคาถูกอยู่คุณปรีชาสะอาเช่าแฟลตอยู่กับเพื่อนๆอีก 3-4 ี่คนนะคะแต่และเดือนต่างก็ช่วยกันแชร์ค่าห้องค่าน้ําค่าไฟซึ่งก็พอจะทําให้ประหยัดค่าใช้ใจ่ายลงไปได้บ้าง อยู่มาวันหนึ่งที่ห้องข้างๆที่พักอาศัยค่ะมีคนเข้ามาอยู่ใหม่จํานวนเกือบสี่คนพวกเขาเป็นเด็กนักเรียนพาณิชย์ทั้งหมดคุณปรีชาขอบอกความรู้สึกตรงๆตอนแรกเลยนะอยากผูกมิตรกับพวกเขาไม่มีอะไรหรอกเอาไว้คุยเล่นเวลาไม่มีใครอยู่ห้องก็เท่านั้นเองแต่ว่าพวกหล่อนนะสิก็ไม่รู้สึกว่าเขาอยากจะมีปฏิสัมพันธ์กับคุณปรีชาสักเท่าไหร่กร็ยืนยันคําพูดเดิมเช่นนี้ได้ก็เพราะว่าทุกครั้งที่ฉีกยิ้มให้ ก็ไม่ได้รับการฉีกยิ้มกลับมาได้รับเพียงแค่ความเมินเฉยหรือว่าตีหน้าเบื้องใสตอบแทนทุกครั้งไปนะคะแต่ว่านั่นก็ไม่ได้ทำให้คุณปีชาบอกว่ารู้สึกรังเกียจหรือว่าหมั่นไส้พวกเขาเท่ากับการที่พวกเขาชอบส่งเสียงกรีดกราดกันในเวลากลางคืน เวลาที่คนปกติทั่วไปเขานอนพักผ่อนหรือว่าบางครางเนี่ยก็มีชวนเพื่อนผู้ชายของอพวกห้องข้างๆนี่แหละนะฮะมาตั้งวงกินเหล้าร้องรำทำเพลงกันอย่างชนิดไม่เกรงใจใครคุณปรีชาได้แต่นึกเครียดแค้นอยู่ในใจแต่ก็ทำอะไรไปมากกว่า น, นั้นไม่ได้ภาวนาแช่งเช้าแจ่งเย็นขอให้ผีบ้าผีเร่ร่อนตอนไหนก็ได้เข้าสิงคนพวกนี้ให้เข็ดหลาบเป็นไปเลยอย่าได้เที่ยวสร้างความราคาญให้กับผู้อื่น จริงๆแล้วคุณปีชาบอกผมไม่อยากให้มีเรื่องราวที่ผมเฝ้าภาวนาเกิดขึ้นจริงๆห ร, ร, รอกที่ผมคิดเช่นนั้นอาจจะด้วยเพราะความรำคาญที่พวกเขาสร้างความรำคาญให้กับผมทุกข่ำเช้าก็เป็นได้มันก็เลยทำให้ผมคิดส่งเดชไปเรื่อยเปื่อยโดยที่ไม่นึกเลยว่าวันหนึ่งมันจะเกิดขึ้นจริงๆ จ, จ, จนถึงกับทำให้เขาเนี่ยทาอะไรไม่ถูกมาแล้ว คืนที่เกิดเหตุระทึกจำได้ว่าเป็นคืนที่มีการแข่งขันฟุตบอลคู่หยุดโลกระหว่างแมนยูกับไบร์นมิลลิชนะคะซึ่งถ้าคนไหนเป็นแฟนฟุตบอลก็จะจำวันแข่งขันและก็ผลการแข่งขันของคู่นี้ได้ดีคืนนั้นฟุตบอลจะถ่ายทอดประมาณตี2ก่อนที่ฟุตบอลจะถ่ายทอดประมาณ15นาทีเห็นจะได้ คุณปรีชาแลวก็เพื่อนอีก5าคนเนี่ยนะคะก็กำลังนั่งจดจออยู่หน้าจอทีวีด้วยความตื่นเต้นเพราะว่ า, าจะได้เป็นหนึ่งในอีกหลายร้อยล้านคนที่จะเป็นสักขีพยานรับรู้ว่าระหว่างแมนยูกับบาเยิร์นมิวนิคนั้นใครจะเหนือกว่าใครทันใดนั้นเองค่ะก็ได้ยินเสียงเคาะประตูอย่างถี่ยิบดังมาพร้อมกับเสียงร้องขอให้ช่วยที่ปนกับเสียงสะอื้นให้ คุณปีชาจำได้ว่าผู้ที่เป็นอาคันตุกะยามราตรีที่มาขอความช่วยเหลือนี้เป็นใครไปไม่ได้นอกจากเพื่อนผู้หญิงที่ไม่ค่อยอยากเป็นมิตรกับผมผมรู้ทันทีเลยว่าการที่เธอมาเคาะประตูร้องขอความช่วยเหลือจากห้องของชายหนุ่มเช่นนี้คงไม่ใช่เรื่องล้อเล่นกันเป็นแน่ๆก็เลยลุกไปเปิดประตูโดยที่ไม่ต้องรอให้เคาะซ้ า, ารอบสองเปิดประตูเสร็จปุ๊บก็ต้องพบกับความแปลกใจค่ะ เมื่อเห็นหน้าน้องคนที่มาขอความช่วยเหลือเนี่ยยืนพนมมืออยู่ขณะที่ใบหน้าก็มีน้ำตาไหลอาบสองแก้มพร้อมกับบอกพี่ช่วยหนูด้วยเพื่อนหนูถูกผีเข้าเธอเนี่ยละลำ่ำละลักพูดอย่างลนลานจนคุณปรีชาถึงกับตะลึงงันไปชั่วขณะนะคะแต่ก็รู้ดีค่ะว่าจะมัวตกใจไม่ได้ต้องทำอะไรไปสักอย่างหนึ่งแม้จะยังไม่รู้ว่าจะต้องทาอะไรก่อนในอันดับแรก คุณปีชาก็ผุดลุกออกจากห้องอย่างรวดเร็วซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกันกับเพื่อนคนอื่นที่กระโดดตามมาติดๆตรงไปยังห้องของเด็กสาวที่โดนผีเข้าทันทีที่ไปถึงห้องที่เกิดเรื่องค่ะเมื่อเห็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก็เกือบถอดใจวิ่งหนีอยู่เหมือนกันเพราะไม่แน่ใจว่าสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นตรงหน้านั้นมันคืออะไรกันแน่ เด็กสาวคนที่เพื่อนเขาระบุว่าโดนผีเข้านอนคลางฮือๆนะคะในขณะที่อีก 3-4 สี่คนนี้ช่วยกันจับแขนขาไว้เพื่อไม่ให้ดิ้นหลุดแต่ก็คิดได้ว่าการที่จะยืนดูอยู่เฉยๆนั้นมันไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นมาได้ก็เลยตัดสินใจเข้าไปช่วยจับแขนเขาไว้อีกแรงหนึ่งแต่ก็เป็นจังหวะเดียวกันกับเพื่อนของเด็กสาวคนนั้นที่เกิดอ่อนแรงขึ้นมาค่ะปล่อยร่างที่นอนอยู่ให้เป็นอิสระร่างนั้นก็กลับลุกพรวดพลาดขึ้นนั่ง พักพวก3ามสี่คนของน้องคนที่โดนผีเข้าเนี่ยต่างก็ถอยกรูดกันไปคนละทิศคนละทางเมื่อร่างนั้นลุกขึ้นนั่งแล้วก็หันมองรอบข้างแบบตาขวางก่อนจะสยะยิ้มให้กับคนที่ศบตาคุณปรีชาบอกผมมั่นใจได้ชีวิตที่เกิดมาจนอายุปูนนี้แล้วไม่เคยเห็นสายตาใครน่ากลัวเท่านี้มาก่อนก่อนที่ร่างนั้นจะทำอะไรที่น่ากลัวมากไปกว่านี้ ก็ได้ตัดสินใจกระโดดเข้าไปเอามือกดคอของหญิงสาวคนนั้นไว้ให้นอนราบกับพื้นพร้อมๆกับพักพวกของเขาอีกประมาณ5คนที่ตามหลังเข้ามาเนี่ยจับแขนจับขาเอาไว้เนี่ค่ะก็ต้องยอมรับเลยว่าตัวเองนี่เป็นคนที่สูงใหญ่แล้วก็แข็งแรงอันเนื่องมาจากการออกกําลังกายสม่ําเสมอและเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันแต่ก็ไม่เข้าใจเหรอว่าเอ๊ะทำไมคนทั้ง 6- 7คนนี่จับผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวแทบจะไม่อยู่ พวกมึงจับกูไว้ทําไมปล่อยกูกูจะเอามันไปอยู่ด้วยถ้ามึงไม่ปล่อยกูกูจะจองเวรพวกมึงทุกคนมันเป็นเสียงของใครบางคนเนี่ยที่แอบแฝงเข้ามาอยู่ในร่างของเด็กสาวผู้เคราะร้ายผมแทบไม่เชื่อหูตัวเองเลยว่าเสียงแหบห้าวที่ผมได้ยินนั้นจะออกมาจากปากของเด็กผู้หญิงไวัยไม่ถึง18เพราะมันคือเสียงของชายแก่ที่น่าจะอายุมากกว่า70ด้วยซ้ําพวกเราได้แต่มองตากันเลืกๆส่วนผมนั้นถึงกับขนลุกขึ้นด้วยความขลาดต่อบุคคลที่นอนอยู่เบื้องหน้า หลายนาทีผ่านไปก็ไม่มีวี่แววค่ะว่าสถานการณ์อะไรจะดีขึ้นเพื่อนบางคนเนี่ยเห็นว่าปล่อยไว้อย่างนี้นานๆร่างของเด็กสาวเนี่ยจะเป็นอันตรายเพราะว่าเกิดความอ่อนเพลียทุกคนก็เลยลงความเห็นกันว่าอาจจะลองพูดดีๆกับสิ่งที่สิงอยู่ในตัวของเด็กคนนี้ดูท่านเป็นใครครับท่านต้องการอะไรท่านมาทำโทษเด็กทําไมปล่อยเด็กไปเถอะครับเด็กมันไม่รู้เรื่องเพื่อนคนหนึ่งรวบรวมความกล้าพร้อมกับคําถามอย่างยาวยืด แต่ตะกุกตะกัดด้วยความกล้าก ล, า ก, ก, ล ก, กลัวกลัวกูไม่บอกมันเรียกกูมาทําไมกูอยู่ของกูดีๆเมื่อเรียกกูมาแล้วกูก็จะเอามันไปอยู่ด้วยเสียงแหบห้าวบอกถึงจุดประสงค์ที่ต้องการซึ่งในขณะที่กลุ่มผู้ชายที่อยู่เป็นเพื่อนของคุณปรีชาเนี่ยนะคะก็นั่งนิ่งทําไม่ได้ถามอะไรต่อไปเพราะว่าดูท่าทางและคุยกันไม่รู้เรื่องแต่สิ่งที่สําคัญเนี่ยมันมีคําถามเกิดขึ้นในสมองและก็กลุ่มเพื่อนอย่างหนึ่งนั่นคือ ทำไมอยู่ดีๆเด็กคนนี้ถึงโดนผีเข้าเมื่อใครบางคนที่อยู่ในเหตุการณ์อดรนทนไม่ไหวต่อความอยากรู้ค่ะว่าทำไมถึงเกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นได้หนึ่งในกลุ่มผู้สงสัยก็ถามขึ้นก็ได้รับคำตอบจากเพื่อนคนหนึ่งของเด็กสาวผู้เคราะห์ร้ายว่าพวกเขาเนี่เล่นผีถ้วยแก้วกันเหตุเพราะความไม่เชื่ออย่างเรื่องอย่างนี้ประกอบกับอยากหาอะไรสนุกสนุกเล่นซึ่งไม่คิดว่ามันจะมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ครั้นพอเกิดเรื่องขึ้นมาจริงๆแล้วในตอนแรกก็ยังคิดว่าเพื่อนนี่ล้อเล่นแต่พอฟังเสียงดูสีหน้าและสังเกตเห็นแววตาที่เปลี่ยนไปก็เป็นเถ่าประจักษ์นะคะว่ากำลังเจอของจริงเข้าให้พวกหนูไม่นึกว่ามันจะเป็นแบบนี้หนูต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ทำให้เดือดร้อน เพื่อนของเด็กสาวผู้เคราะห์ร้ายคนที่ไปตามคุณปรีชากับเพื่อนๆ ใ, ให้มาช่วยนะคะก็กล่าวด้วยน้ําเสียงที่สํานึกผิดพร้อมกับยกมือไหว้พวกเราหลายรอบสงบ ก, กค่ะร่างที่นอนอยู่ตรงหน้ายังคงไม่สงบส่งเสียงครางฮือๆเป็นครั้งคราวในยามใดที่พวกเราเผลอคลายมือออกร่างนั้นก็พยายามทรงตัวลุกขึ้นนั่งทุกครั้งไปเมื่อทุกคนช่วยกันจับแขนขาให้นั่งนิ่งนะคะ ก็จะได้ยินเสียงด่าทอเป็นระยะค่ะทุกคนก็พยายามหาวิถีทางที่จะทําให้วิญญาณเร่ร่อนตนนี้เนี่ออกจากร่างของเด็กสาวตามแต่จะนึกได้เพื่อนของคุณปีชาบางคนที่แขวนพระอยู่ก็ถอดสร้อยมาสวมคอให้ซึ่งปรากฏว่าแทนที่วิญญาณจะกลัวที่ไหนได้กลับหัวเราะเยาะใสพร้อมทั้งถุยน้ําลายใส่พวกเราจนต้องหลบกันจ้าละวันเวลาล่วงเลยไปเกือบจะตีสี่แล้วนะคะฟุตบอลนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงละจบไปนานละ หลายคนต่างเหนื่อยล้ากันพอสมควรทั้งนี้รวมไปถึงเด็กสาวและสิ่งที่อยู่ในร่างนั้นซึ่งนานๆครั้งจะออกฤทธิ์ออกเดตคุณปรีชามัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องตรงหน้าจนลืมสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างฝูงไทยมุงมากันแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ยืนออกันที่หน้าประตูเต็มไปหมดสังเกตดูบางคนยังงัวงเงียอยู่แสดงว่าเพิ่งตื่นนอนมาใหม่ ความหวังที่จะได้นอนอย่างเต็มอิ่มของคุณปีชาคืนนี้น่าจะรีบรีเหลือเกินเพราะว่าดูตามรูปอาการแล้วนะคะพักพวกแล้วก็คุณปีชาเนี้ยต้องนั่งจับเด็กสาวคนนี้ไว้จนกว่าจะถึงเช้าจะถึงเช้าเมื่อไหร่ก็คงต้องว่ากันอีกทีค่ะมีอะไรให้พี่ช่วยไหมใครคนหนึ่งในไทยมุงดังแทรกขึ้นทุกคนต่างหันไปมองต้นเสียงอย่างชนิดที่เรียกว่าเป็นตาเดี่ยวพี่ตู่นั่นเอง พี่ตู่คนนี้คุณปรีชารู้จักดีห้องของแกอยู่ห้องถัดไป 3-4 สห้องแกก็คงจะได้ยินคนเอกอะโวยวายก็เลยตื่นขึ้นมาดูเหตุการณ์เหมือนกับคนอื่นครั้นพอเห็นว่าอะไรเป็นอะไรแกก็เลยรีบแสดงน้ำใจตามประสาคนร่วมโลกกันนะคะก็อย่างที่เห็นนะพี่พวกผมไม่ได้ทำอะไรก็ไม่รู้จะทำยังไงละหมดความสามารถกันทุกคนคงได้แต่จับไว้ไม่ให้ลูกหนีจะรอให้ถึงพรุ่งนี้แล้วค่อยว่ากันอีกทีผมก็ได้แต่บอกอย่า ง, อ, างอ่อนใจ มึงจะเอาใครมาคุยกับกูอีกเอามาเลยเดี๋ยวกูจะหักคอให้หมดเมื่อพูดจบวิญญาณที่อยู่ในร่างเด็กสาวถึงกับระเบิดเสียงหัวเราะออกมาดังลั่นทั้งแฟลตพวกเธอจับไว้ให้ดีนะเดี๋ยวพี่มาดื้อแบบนี้ต้องเจอกันหน่อยพี่ตู่เข้ามาพร้อมกับพิจารณานิดนึงก่อนสั่งเสียแล้วก็เดินออกไปจากห้องทิ้งคาพูดสุดท้ายไว้ให้คิด ไม่ถึง3นาทีพี่ตู่กลับมาแต่ว่าการกลับมาคราวนี้เนี่ยแกมีของติดไม้ติดมือมาสองสาอย่างที่เห็นชัดๆก็คือรูปหล่อเหมือนจริงของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่วัดระฆังโคศิตารามค่ะที่พี่แกอุ้มมาอย่างระมัดระวังลงขันน้ำในหินใบเรื่องนะคะข้างในขันเนี่ยตามการสันนิษฐานว่าน่าจะมีน้ำมนต์บรรจุอยู่ ทันทีที่พี่ตู่อุ้มรูปหล่อของสมเด็จพระพุทธจารย์เข้ามาเด็กสาวที่มีผู้อื่นเป็นเจ้าของร่างถึงกับกรีดร้องออกมาอย่างโหยหวนชวนให้หน้าขนลุกยิ่งนักซึ่งเวลาเดียวกันค่ะมาที่อยู่ใต้ถุนแฟลตก็หอนรับกันขึ้นอย่างน่าสะพรึงกลัวกลุ่มไทยมุงที่เคยยืนกันแบบกระจัดกระจายต่างก็พากันเบียดกายจนเป็นกระจุกเดียวกันค่ะไม่มีใครกล้ายืนดูเดี่ยวเดียวเอามันออกไปเอามันออกไปกูร้อนกูเจ็บไปหมดทั้งตัว พี่ตู่ไม่ได้สนใจนะคะแต่ว่าแกกลับเร่งให้สัมภเวสีตนนี้ต้องปวดแสบปวดร้อนมากขึ้นไปอีกด้วยการท่องบทสวดคาถาชินนบัญชรของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจารย์โตชยาสนากตาพุท ธ, ธาเชตวามารังคือบทนี้นะคะเสียงท่องคาถาชินนบัญชรดังฟังชัดสลับกับการปะพรมน้ำมนของแกเดีย๋ยวว่าแต่พูดผีปิศาจเลยค่ะที่หวั่นเกรงคาถาบทนี้คุณปรีชาเองก็บอกผมเป็นคนนี่ยังรับรู้ได้ถึงความขลังของคาถาเลย เมื่อโดนเข้าเลยหลายขนาดแบบนี้มีหรือจะไม่ยอมแพ้นะคะท่าทีก้าวร้าวของวิญญาณเร่ร่อนตนนั้นกลับอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแววตาก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแต่ว่าน้ําเสียงนั้นยังคงแหบพระไม่เปลี่ยนแปลงพอเถอดท่านเอาหลวงพ่อออกไปเถอะผมจะออกจากร่างของเด็กคนนี้เดี๋ยวนี้เลยสัมภเวสีตนนั้นต่อรองกับพี่ตู่ขณะที่ยกมือไหว้รูปสมเด็จประโลกประหลกนะคะแล้วเป็นไงมาไงล่ะถึงจะเอาเขาไปอยู่ด้วยอยากได้อะไรก็บอกมาสิ จะได้ทำบุญตักบาทไปให้พี่ตู่หยุดท่องคาถาแล้วก็ประพรมน้ำมนต์แต่ว่ารูปสมเด็จนั้นแกก็ยังอุ้มไว้ค่ะผมเป็นวิญญาณเร่ร่อนอยู่ที่นี่หลายปีละก่อนหน้านี้ผมยังไม่เสียชีวิตผมเคยขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ที่แยกข้างหน้านี่แหละสิ่งที่อยู่ในร่างของเด็กสาวพูดแล้วก็ชี้นิ้วไปยังสี่แยกดังกล่าวนะคะซึ่งทุกคนในที่นี้ก็รู้จักกันเป็นอย่างดี ต่อมาวันนึงขณะที่ผมกําลังจอดรถเพื่อรอสัญญาณไฟอยู่นั้นก็มีรู้รถเมยสายอะไรมันพุ่งมาชนผมอย่างจังผมตายสนิทติดที่หัวของผมหลุดกระเด็นออกไปติดอยู่บนต้นมะขามข้างถนนวิญญาณรายนิ่งไปชั่วครู่ค่ะถ้ามีคนสังเกตดีๆก็จะเห็นว่ามีน้ําตาเนี่ยไหลนองสองแก้มของร่างเด็กสาวที่วิญญาณสิงอยู่หลายคนที่ฟังเรื่องราวนี้แม้ว่าจะรู้สึกกลัวแต่ก็ใจหายในสิ่งที่เกิดขึ้นกับสัมภเวสีตนนี้ไม่น้อยเหมือนกัน ผมอยู่ที่นี่ทรามานเหลือเกินไม่มีใครทำบุญทำทานมาให้ผมเลยผมอยากไปผุดไปเกิดแต่ก็ทำไม่ได้เพราะต้องเฝ้าอยู่ที่สี่แยกตลอดจนถึงวันนี้เด็กพวกนี้มันเชิญผมมาผมคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเหมาะที่จะหาคนไปเฝ้าสีแยกแทนผมสัมภเวสีตัว น, นั้นทิ้งท้ายด้วยน้ำเสียงแผ่วนะคะพี่ตู่ได้แต่ฟังนิ่งไม่ตอบโต้อะไรส่วนพวกที่จับร่างของเด็กสาวคนนั้นไว้ก็ได้คลายลงค่ะตั้งแต่วิญ ญ, ญาณเร่ร่อนยอมแพ้ไปแล้วนะคะ เอางี้แล้วกันเด็กคนนี้เขาก็มีคนที่รักเขาอยู่คนที่เขาห่วงอยู่แล้วก็อีกอย่างนึงก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะไปอยู่แทนคุณแล้วไอที่การคุณจะพาดเขาไปจากคนที่เขารักเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นการเห็นแก่ตัวไปหน่อยหรอผมว่าถึงเวลาที่เหมาะสมคุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณต้องการเองแหละนะแต่ขอให้คุณอดทนหน่อยนึงวิญญาณที่อยู่ในร่างของเด็กสาวก้มหน้านิ่งอย่างรู้สํานึกค่ะว่าสิ่งที่ทํานั้นมันไม่ถูกต้องแต่ก็ไม่ลืมขอร้องพี่ตู่เรื่องหนึง่ง เวลาที่ผมไปแล้วผมขอพี่อย่างหนึ่งนะขอให้ร่างที่ผมอาศัยอยู่เนี่ยใส่บาทให้ผมครบ9้าวันแล้วผมจะไม่ลืมพระคุณพี่เลยพี่อย่าลืมนะ9วันถ้าไม่ได้ที่ผมต้องการผมจะกลับมาอีกผมไปละพี่ตูพยักหน้าให้คำสัญญา เมื่อรู้ว่าสิ่งที่ต้องการได้รับการตอบสนองในระดับหนึ่งร่างที่สักครู่นอนลืมตาสนทนาพูดจาตอบโต้กับพี่ตู่ก็หลับตาหนิ่งเหมือนคนนอนหลับทั่วไปพี่ตู่ก็ให้ความเห็นว่าสัมภเวสีตนนั้นไปแล้วละให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนได้ไม่มีอะไรที่ต้องเป็นห่วงอีกแต่แกก็ไม่ลืมสั่งกำชับพวกเพื่อนๆของเด็กสาวคนที่ถูกผีเข้าเนี่ยบอกว่าให้ทําตามคําที่เขาขอไว้ด้วยเพราะถ้าหากเกิดบิดพลิ้วอาจจะมีปัญหาเหมือนเช่นคืนนี้เกิดขึ้นมาอีก ซึ่งเมื่อถึงตอนนั้นแกก็ไม่แน่ใจว่าจะช่วยอะไรได้หรือเปล่าทุกคนก็แยกย้ายกันกลับห้องพักนะคะแต่ก็ขมตายังไงก็นอนไม่หลับค่ะเพราะว่าเห็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่อย่างชนิดที่ว่าลอยไปลอยมาอยู่ตรงหน้าวิญญาณตนนั้นไม่ได้ไปไหนแต่ก็ยังคอยอยู่ที่สี่แยกเดิมเขาเรอเพียงแต่ว่าจะมีใครเผลอเรียกเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าแค่นั้นเองค่ะ เมื่อประมาณ20กว่าปีที่ผ่านมานี้มีผู้หญิงกลางคนคนหนึ่งถูกหลอกเอามาฆ่าที่ท้องนาริมคลอง3มวาฝั่ง3วาตะวันตกระหว่างคลองซอยที่2ตะวันตกกับคลองซอยที่3ตะวันตกเขตมีนบุรีกรุงเทพมหาคนครค่ะมีผู้เห็นนะคะว่าผู้หญิงคนนี้มากับผู้ชายอีกสองคนก็เป็น3คนได้แวะที่ตลาดมีนบุรีซื้อก๋วยเตี๋ยวติดมือไปสาหอ่อแล้วก็เดินเลาะริมคลองสมวาไปเมื่อเวลาประมาณ4ี่โมงเย็น รุ่งขึ้นก็มีชาวนาะออกไปพบศพผู้หญิงคนนี้ถูกแทงตายนอนอยู่ริมคันนาค่ะบริเวณที่พบศพนั้นก็มีร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ยังมีห่อก๋วยเตี๋ยวซึ่งกินแล้วทิ้งตกอยู่จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ความนะคะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นแม่ม้านอยู่ในกรุงเทพมีบ้านให้เชา่าแล้วก็มีฐานะดีนอกจากมีบ้านให้เช่าแล้วก็ยังออกเงินกู้ด้วยแล้วก็การที่ผู้หญิงคนนี้ถูกฆ่าตายดังกล่าวก็เป็นเรื่องการให้กู้เงินนี่เองค่ะ กล่วก็คือคนที่พามาซึ่งเป็นลูกหนี้ได้ชวนให้มาเอาปลาที่มีนบุรีเพราะว่ามีนบุรีเนี่ยใครๆก็รู้ว่าเป็นเมืองปลาปลาเยอะมากพอมาถึงที่เปลี่ยวจึงได้ฆ่าผู้หญิงคนนี้ซะเพื่อเป็นการลางหนี้ค่ะสําหรับบริเวณซึ่งที่ผู้หญิงคนนี้ถูกฆ่าอยู่ห่างจากริมคลอง3าวาประมาณ 300-400 เมตรนะคะคือไม่ใช่อยู่ริมคลองนะแล้วก็อยู่ห่างจากตลาดมีนประมาณ6กกิโลเมตร ซึ่งนับว่าไกลจากตลาดมีนบุรีมากเลยทีเดียวค่ะดังนั้นถ้าทั้งสามคนเดินออกจากตลาดมีนบุรีเมื่อสี่มงเย็นกว่าจะเดินถึงที่เกิดเหตุและกว่าจะกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จก็คงเป็นเวลาเพลโซเลกล่คำ่ำผู้หญิงคนนี้คงจะถูกแทงตายเวลาประมาณ6โมงเย็นอย่างแน่นอนเรื่องของผู้หญิงถูกแทงตายคนนี้อ่ะปรากฏว่าเป็นข่าวที่ชาวบ้านที่นั่นโจษจันกันมาก ต่างก็พากันมาดูศพกันล้นหลามเพราะว่านานๆจะมีการฆ่ากันตายสักรายหนึ่งโดยเฉพาะรายนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงกรุงเทพด้วยไม่ใช่ชาวบ้านย่านนั้นหลังจากนั้นไม่นานค่ะวิญญาณของผู้หญิงคนนี้ก็ออกอาลวาดก็ปรากฏว่ามีผู้ถูกหลอกหลายรายเหมือนกันรายหนึ่งออกไปหาปลาตอนกลางคืนลำพังคนเดียวโดยมีไฟตะเกียงกับฉมวกเป็นเครื่องมือจับปลาจับกบ พอเดินไปหาปลาในบริเวณที่ผู้หญิงถูกแทงตายก็มีคนถูกผีผู้หญิงคนนี้เนี่ยหลอกอะนะคะไล่หน้าไล่หลังเอาฉมวมวมมววววววววววววววววนี้วววาวววววววววววววววว้นนออววววววววววววววววววนวว้ววววววววววววหวววววววววววววูววววงวววนววววววววววว้ววววนววววววววววววววววเวววววว้ววววววววววววกวววววววววววววววววววววววววววว อย่าว่าแต่ผีผู้หญิงคนนี้จะหลอกในตอนกลางคืนเลยนะคุณผู้ฟังแม้แต่เวลากลางวันก็ยังมีคนถูกหลอกทั้งท้งที่เหตุการณ์นี้ล่วงมาหลายปีจนชาวบ้านลืมเรื่องนี้กันไปหมดแล้ววันหนึ่งในจันค่ะซึ่งมีบ้านอยู่ริมคลองสามวาฝั่งตะวันตกนะคะได้มาที่ปากคลองซอยที่สองฝั่งตะวันตก ปรากฏว่าผ้าเข่าม้าที่เอามาด้วยได้ตกหายไปอีกหลายวันต่อมาในจันทร์ก็ได้เดินผ่านตรงที่ผู้หญิงถูกแทงตายตอนประมาณ3ามโมงถึง4ี่โมงเช้าเพื่อจะไปทําทุระก็ได้พบกับผู้หญิงคนหนึ่งแต่งตัวเรียบร้อยเลยละค่ะลักษณะเป็นคนกรุงเทพมีศีสะที่ศีษะเนี่ยมีผ้าเข่าม้าผืนหนึ่งคลุมบางแดดอยู่พอในจันทร์เห็นก็แปลกใจว่าเอ๊ผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันนะทําไมถึงมานั่งตากแดดอยู่คงจะไปหาใครกระมังแต่เอ๊ะ นั่นมันผ้าเข่าม้าของเราที่หายไปนี่เอ๊ะแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้เพระาะผ้าเข่าม้าเขาทําขายเหมือนๆกันก็มีถมไปนายจันทร์ก็เลยเข้าไปหาถามว่าจะไปไหนไปหาใครตามธรรมเนียมของชาวบ้านน่ยนะคะเพื่อจะให้การช่วยเหลือแล้วก็แนะนําเส้นทางหรือว่าพาไปเมื่อนายจันทร์เข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนั้นก็พูดเป็นทํานองว่าบ้านของเธออยู่แถวนี้นี่เองก็ทําเอานายจันทร์แปลกใจถ้าอยู่แถวนี้ทําไมเข้าถึงไม่รู้จัก เราะบ้านย่านนี้มีไม่มากรู้จักกันทั้งนั้นตั้งแต่หัวคลองยันท้ายคลองนี่ขนาดอยู่ไกลกันตั้ง 3-4 กิโลเมตรยังรู้จักกันเลยแต่นี่ทําไมเขาถึงไม่รู้จักแม้แต่เห็นก็ไม่เคยเห็นหน้าในที่สุดค่ะผู้หญิงคนนั้นก็ได้ชวนนายจันให้ไปเที่ยวที่บ้านด้วยความอยากรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นบ้านอยู่ที่ไหนเพื่อให้หายข้่องใจในายจันก็เดินตามผู้หญิงคนนั้นไปพอเดินมาตรงบริเวณที่ผู้หญิงคนนั้นถูกแทงตายค่ะผู้หญิงคนนั้นก็บอกถึงบ้านและ อยู่ตรงนี้นี่แหละในจันทร์ก็งงสิฮะงงเป็นไก่ตาแตกเลยทีนี้ผู้หญิงคนนั้นบอกว่าถึงบ้านแล้วแต่ไม่เห็นมีบ้านมีแต่ท้องนาและต้นไม้ขึ้นอยู่สองสต้นโดยเฉพาะที่ที่ตรงผู้หญิงคนนั้นถูกแทงตายนี่นาเอชักไม่ได้การซะแล้วในจันทร์บอกแต่ตอนนั้นในจันทรก็ยังไม่สงสัยนะว่าจะเป็นผีคิดว่าผีอะไรมันจะมาหลอกคนกลางวันแสกเป็นไปไม่ได้ผีจะหลอกคนได้ก็ต้องเป็นเวลากลางคืนเท่านั้นแต่แล้วในจันทรก็ต้องวิ่งเพ่นแนบออกมาจากที่ตรงนั้นเลยค่ะเพราะว่าอยู่ ผู้หญิงคนนั้นหายตัวไปราวกับปาฏิหาริย์ไม่ทราบว่าไปไหนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอถ้าไม่ใช่ผีแล้วเป็นอะไรแล้วมาหายตัวตรงบริเวณที่ผู้หญิงถูกแทงตายซะด้วยนายจันทร์ก็เลยมั่นใจร0 0เปอร์เซค่ะว่าต้องเป็นผีผู้หญิงคนนั้นอย่างแน่นอนหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ คุณดวงกำมลนเล่าเรื่องราวที่น่ากลัวน่าตื่นเต้นให้เราฟังนะคะบอกว่าเป็นเรื่องเล่าของคุณแม่ที่เกิดขึ้นจริงจากประสบการณ์ของคุณแม่เอง บอกว่าคุณแม่เนี่ยมักจะพบเจอกับวิญญาณบ่อยมากเห็นกันจะจะบางครั้งแม่ก็ตกใจกลัวบางครั้งแม่ก็เฉยเจนถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาค่ะคนไม่เคยเจอผีก็ไม่เชื่อนะคะว่าผีหรือว่าวิญญาณมีจริงนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังสื่อสัมผัสนะคะคุณดวงกำมลบอกว่ายังถ่ายทอดมายังพี่สาวของคุณดวงกำมลด้วยคุณดวงกำมลบอกว่าตั้งแต่ดิฉันจําความได้ค่ะจะเห็นแม่ตักบัตร ในตอนเช้าทุกวันแล้วก็หิ้วตะกร้าไปวัดทุกวันนะคะบอกว่าแม่เนี่ยเป็นคนธรรมะธรรมโมวันพระวันโกนหรือว่าวันไหนไหน่าว่างแม่ก็จะไปทำบุญแล้วก็นุ่งขาวห่วมขาวนอนวัดเป็นว่าเล่นวันนั้นเป็นวันพระใหญ่ขึ้น15้าค่ำแม่บอกว่าตอนดึกเนี่ย ลงมาเข้าห้องน้ำกับเพื่อนนะคะซึ่งมองไปยังต้นไม้ค่ะก็จะเห็นว่ามีคนนี่นั่งอยู่ตรงกิ่งไม้แล้วก็แขว่งเท้าเล่นนะคะผมยาวลากพื้นตอนเช้ามานั่งคุยกันแล้วก็ถามว่าเ mm. พื่อนนี้เห็นไหมเพื่อนบอกไม่เห็นตรงนั้นมันมืดมองไม่เห็นพระท่านก็เลยบอกว่าเป็นเปรตมาขอส่วนบุญในเขตวัดแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวเขามาเฝ้าวัดให้โยมเป็นคนมีบุญเขาก็เลยทาให้เห็น มีอยู่อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณดวงกระมลบอกว่าเป็นผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ด้วยแต่ว่ า, าตัวของคุณดวงกระมลเนี่ยมองไม่เห็นนะคะซึ่งตอนนั้นอายุประมาณ10ปี ก็ได้เข้าป่าไปเก็บเห็ดแล้วก็หาหน่อไม้กับแม่ในบริเวณใกล้เขตป่าช้าของหมู่บ้านสมัยก่อนตามบรรนนยังเผาศพกันแบบกองฟอนนะคะขากลับเนี่ยพอออกมาจากป่าเป็นช่วงใกล้ค่าแล้วก็ยังพอมีแสงแดดเหลืองๆส้มๆเหลืออยู่หรือว่าเขาเรียกว่าผีตากพระอ้อมนั่นเองพอพ้นออกมาจากป่าชา้าทางเหนือก็ได้เป็นเขตทุ่งนาของปู่สักพักหนึ่งก็เกิดลมพัดอย่างแรงเหมือนฝนจะตกหนักเกิดลมหมุนฝุ่นตลบนะะี่ะแม่ สะพายตะกร้าบนบ่าสารด้วยไม้ไผ่มีหูสองหูร้อยด้วยเชือกส่วนคุณดวงกำมลนเองก็ถือเสียมแม่บอกว่าให้ไปหลบฝนที่กระท่อมปูก่อนถ้าทางฝนจะตกหนักพอไปถึงท้องฟ้าครึ้มหน่อยแต่ก็ยังมีแดดออกอยู่นะคะฝนก็ตกเปาะแปะเปาะแปะลงมาแล้วก็แรงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ได้ตกแรงมากนัก น, นะคบตกประมาณแบบฝนตกแดดออกประมาณนี้ แต่ว่าลมเนี่ยแรงพัดจนกิ่งไม้ใหญ่ไหวเอ็นคุณดวงกมวลบอกเลยเช่นหนาวสั่นไปหมดเม็ดฝนสาดเข้ามาในกระท่อมเนี่ยก็ต้องหลบกันใต้กระท่อมช่วงที่รอฝนหยุดตกแม่ก็เอาหน่อไม้มาหัน่นอันที่ไม่เอาก็ทิ้งไป คุณดวงกระมลก็ช่วยคุณแม่ด้วยแม่ก็นั่งหันหน้าเข้าทางป่าช้าส่วนคุณดวงกระมลนั่งฝั่งตรงข้ามคุณแม่สักพักหนึ่งแม่มีอาการลุกลี้ลุกลนมือไม้สัน่นจะบอกว่าแม่หนาวก็ไม่ใช่แม่บอกเสียงสั่นเบาๆบอกว่าเก็บของกลับบ้านกันลูกคุณดวงกระมลก็ทําตามอย่างงงๆค่ะแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนึกตั้งคาถามในใจว่าอา้าวไม่รอให้ฝนหยุดก่อนหรอ สคนแม่ลูกก็เดินจูงมือกันจ้ำอ้าวอ้าวออกจากตรงนั้นอย่างเร็วท่ามกลางสายฝนแล้วก็ลมแรงผ่านมาได้ครึ่งทางค่ฝนก็เริ่มซาเม็ดลงมองเห็นป่าชา้าอยู่ไม่ไกลนักก่อนจะเข้าหมู่บ้านแม่ก็ทั้งจูงมือทั้งเดินกึ่งวิ่งกึ่งเดินอยู่พักใหญ่เนะค่ะเพื่อให้ผ่านป่าช้าไปเร็วๆซึ่งในที่สุดก็ผ่านพ้นเข้าเขตทุ่งนาใกล้หมู่บ้านแปลกมากคุณผู้ฟังแถวนั้นไม่มีฝนแล้วก็ลมเลยก็เลยถามคุณแม่บอกเอ้าแม่ ทำไมที่นี่ไม่มีฝนแม่บอกว่าฝนมันตกไม่ทั่วฟ้าน่ะพอเข้าเขตหมู่บ้านทุกคนก็เลยเป็นงงค่ะเปียกมาลอกมาแลกทั้งแม่ทั้งลูกคุณพ่อเห็นก็ตกใจเป็นห่วงถามแม่บอกว่าทำไมพากันกลับมืดกลับค่าแม่ก็บอกเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง คุณดวงกรมลอยู่ด้วยก็เลยไม่กล้าเล่ามั้งนะคะซึ่งคุณดวงกมวลคิดเองนะตอนนั้นพ่อบอกให้คุณดวงกมวลเนี่ยรีบไปอาบน้ําสระผมเดี๋ยวจะเป็นหวัดโดยปกตินะคะคุณดวงกระมลเป็นคนอาบน้ําอ้อยอิ่งอยู่แล้วยิ่งสระผมด้วยก็ยิ่งนานแม่ก็คิดว่าลูกสาวเนี่ยคงจะไปอาบน้ําเสร็จแล้วเรียบร้อยเพราะว่ามองไปนี่เห็นไฟห้องน้ํามันปิดอยู่คุณดวงกระมวลบอกว่าไม่ค่ะยังอาบน้ําไม่เสร็จเลยยังไม่ได้ไปด้วยแค่กําลังจะขึ้นก็เลยแอบได้ยินพ่อกับแม่เนี่ยคุยกันเบา แม่เล่าให้พ่อฟังบอกว่าตอนที่ออกมาจากาป่าเห็ดเนี่ยนะคะได้นั่งหันหน้าเข้าป่าช้าแล้วก็กำลังตัดหนาไม้ทิ้งอยู่นั้น ตามันเหลือบไปมองทางต้นมะขามเท่าต้นใหญ่ที่อยู่ติดกับเขตป่าเห็นผีแม่ลูกอ่อนนั่งคลุมหน้าอุ้มลูกอยู่ในห่อผ้ากล่อมลูกน้อยอยู่บนกิ่งมะขามแล้วก็หันหน้ามามองทางแม่สักพักหนึ่งก็กระโดดลงมายืนใต้ต้นมะขามแม่เห็นท่าไม่ดีก็เลยยอมตากฝนพาลูกกลับบ้านดีกว่าถูกผีหลอกพอถึงป่าชาบ้านใต้เห็นคนคลุมหน้าขาวพลนนั่งบนตอไม้แม่ก็เลยแกมเดินแกมวิ่ง คุณดวงกระมลบอกว่าเงียหูฟังอยู่เพราะว่าคุยกันเบามากกลัวลูกบนบ้านได้ยินแล้วก็จะกลัวกันแม่ก็ถามพ่อว่าพ่อคิดว่าเป็นใครมาอุ้มลูกอยู่ตรงนั้นคุณดวงกระมวลบอกดิฉันฟังไปก็ขนลุกไปหมดแม้ตอนเล่าเรื่องนี้ก็ยังขนลุกอยู่เลยไม่ขอเห็นจะดีกว่า กลัวว่าอายุจะสั้นทั้งหมดที่แม่เล่าให้พ่อฟังทั้งเรื่องราวแล้วก็สถานที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็เห็นสิ่ง ร, บรอบๆตัวเหมือนกับแม่ทุกอย่างแต่ว่าดิฉันไม่เคยเห็นในสิ่งที่แม่เห็นเลยก็ดีเหมือนกันถ้าเกิดว่าเห็นแล้วมันกลัวอาจจะอายุสั้นหรือว่าอาจจะเป็นบ้าเป็นหลังไปก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ขอเห็นเป็นดีที่สุดนะคะขอบคุณเรื่องเล่าดีๆจากคุณดวงกมลด้วยค่ะ หลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยเคยเล่าถึงประสบการณ์การเจรจากับผีที่เคยเกิดขึ้นกับท่านค่ะว่าสมัยก่อนในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวบริเวณที่มีการสร้างตึกนั้นที่ตรงนั้นเดิมเป็นของพวกแขกคุณกอบชยัยอ่าซอโสธิกุลนะคะก็เคยบอกว่าผีแขกพวกนั้นนี่มันเหี้ยนถึงขนาดที่ว่าคนงานขนดินไปเทไปถมที่มันก็มายืนโบกมือห้ามเลยมองเห็นด้วยตาเปล่า พวกเขาปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรหลวงพ่อพุธก็เลยบอกเดี๋ยวฉันไปคุยให้เองท่านเห็นตัวมันเหรอบอกไม่เห็นพูดกับผีมันต้องพูดเองเออเองหลวงพ่อพุธพูดนะคะจากนั้นหลวงพ่อพุธก็สั่งให้ เขาเอาชนดที่ดินไปแต่งเครื่องสักการะบูชาเอาพระบรมชายาลักษ์ไปตั้งทำเหมือนกับที่ที่เขาถวายความเคารพในงานเฉลิมพระชนมพัรษาเสร็จแล้วท่านก็ไปยืนกลางแจ้งแล้วก็เอาชนดที่ดินมาอ่านพออ่านจบก็ประกาศค่ะว่าที่ดินแปลงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่นายกรอบชยัยซอโสตทิกุล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวย่อมทรงไว้ซึ่งพระราชะอำนาจสูงสุดดังนั้นใครที่ถือว่าตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ที่นี่ก็ขอให้ขยับขยายออกไปหรือถ้าไม่ไปก็อยู่กับเขาที่นี่คอยอนุโมทนาบุญกุศลกับเขาแล้วอย่าขัดขวางการทํางานของเขาเปิดโอกาสให้เขาทํางานอย่างสบายๆเขาเป็นคนใจบุญเขาสร้างกุศลบุญใดพวกเจ้ามาอนุโมทนาบุญกับเขาก็แล้วกันบุญกุศลสิ่งใดที่ข้าบําเพ็ญมาข้าอุทิศให้พวกเจ้าได้อยู่เย็นเป็นสุข ให้เจ้าจงอนุโมทนาบุญกับข้าบัตรนี้เถิดหลวงพ่อพุธเล่านะฮะว่าท่านก็ประกาศให้พวกผีมันรู้โดยพูดเป็นภาษาไทยนี่แหละแล้วก็สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วก็แผ่เมตตาให้พร้อมกับอธิษฐานจิต ประมวลมาซึ่งบุญกุศลที่ท่านได้บำเพ็ญมาตั้งแต่เล็กจนแก่ซึ่งเกิดขึ้นด้วยกายวาจาและใจขออุทิศให้พวกผีเป็นผู้มีส่วนอนุโมทนาบุญกับท่านแล้วก็ไปเกิดดีมีสุขซะเท่านั้นก็เป็นอันจบค่ะหลังจากนั้นคนงานก็สามารถทำงานได้ตามปกตินะคะจนกระทั่งงานเสร็จโดยไม่มีอะไรมารบกวนเลยหลวงพ่อพุธกล่าวนะคะว่าเรื่องวิ ญ, ญญาณที่นี่เนี่ยมันมีอยู่ทุกหนทุกแห่ง ถ้าหากว่าเราพูดดีกับเขาทำดีกับเขาเขาก็ดีกับเราเหมือนกันเรื่องประสบการณ์วิญญาณของหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยยังมีอีกนะคะในชีวิตเคยโดนผีหลอกถ้าใครถามหลวงพ่อว่าผีมีไหมคุณไม่เคยเห็นผีก็นึกว่าผีไม่มีจริงๆมันมี แล้วมันไม่ใช่เรื่องที่คิดไปเองถ้าหากว่านั่งสมาธิจิตมันก็มีอาการเหมือนกันกับนอนหลับเคลิมๆไปแล้วมันก็ฝันอย่างนั้นเราเชื่อไม่ได้อันนี้เนี่ยไปนั่งอยู่เฉยๆเวลามาเนี่ยป่าดังสนั่นวันไว้เหมือนกับวัวกับควายวิ่งมาเป็นจํานวนร้อยตัวเชียวพอมาถึงระยะใกล้มันก็นเงียบไปหลวงพ่อพูดนะคะแล้วก็หลวงพ่อยังพูดต่อไปบอกว่าในขณะที่เรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็มาทําอะไรก็แก๊กๆอยู่อย่างนั้น หลวงพอนั่งอยู่กลางป่ายะคาพอกระดุกกระดิกมันก็วิ่งไปอีกเสียงดังสนั่นหวั่นไหวมันวิ่งขึ้นไปนู่นบนยอดยางเป็นตัวเหมือนนกแต่ว่ามันตัวใหญ่แล้วมันก็ไปแตะอยู่บนยอดไม้สัตว์ที่ตัวโตขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นนกอีแร้งมันก็ต้องจับอยู่ที่กิ่งไม้อันนี้มันไปแตะอยู่ปลายใบไม้ยอดยอดแล้วมันก็กระโดดลงมามามาที่ต้นไม้ต่ำๆแล้วมันก็วิ่งขึ้นไปขึ้นลงขึ้นลงอยู่แบบนั้น ตอนแรกหลวงพ่อบอกก็รู้สึกกลัวเหมือนกันขนหัวลุกขนหัวพองไปเหมือนกันพอนึกไปนึกมาเออเขาเห็นว่าเรามาอยู่คนเดียวเขาก็เลยมาอยู่เป็นเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันจะไปกลัวเขาทำไมเขาก็ต้องการเพื่อนเราก็ต้องการเพื่อนเขามาเป็นเพื่อนเราก็ดีแล้วจะไปกลัวกันทำไมแล้วมันก็หายกลัวก็เลยนั่งดูอยู่ตั้งชั่วโมงกว่าจนกระทั่งเด็กน้อยมันเอาเรือมารับ ตอนแรกเนี่ยนั่งเรือไปแล้วก็ขึ้นไปอยู่บนป่าเด็กมันก็ไปธุระที่โรงสีตั้งสี่ทุ่มจึงกลับมามันก็หลอกหลวงพ่อเต็มเต็มตั้งแต่สองทุ่มจนถึงสี่ทุ่มตอนแรกก็กลัวพอดูไปดูมาเออมันสนุกดีมา น, นึกถึงเครื่องถ่ายภาพถ่ายอะไรอย่างทุกวันนี้ถ้าสมมุติว่าในขณะนั้นเรามีเครื่องถ่ายเอาไว้โอ้ยสนุกใหญ่เลยถ้าใครว่าผีไม่มีแล้วก็ลากมาฉายให้ดูเลยอยู่ที่วัดนี้ก็มีนะบางทีเนี่ยอยู่อยู่มันเดินผ่านหน้าไปเวลากลางคืน หลวงพ่อชอบไปนั่งอยู่ตามโคนต้นไม้มันก็เดินพับพบพับไปเวลามันไปบังหลอดไฟนีออนที่มันขวางอยู่มันเดินไปมันก็ไปบังหลอดไฟนีออนเราก็จะมองเห็นหลอดไฟด้วยเห็นตัวคนด้วยเป็นรูปเป็นร่างคนแต่ว่ามันโปร่งมองทะลุก็เลยได้ข้อสังเกตว่าอ๋อร่างผีน่ะมันเป็นร่างโปร่ง ถ้าเป็นร่างคนธรรมดาเนี่ยมันจะทึบไปบางหลอดไฟแล้วมันจะทึบมองไม่เห็นหลอดไฟนี่ก็เป็นคําบอกเล่าจากหลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยที่วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมานะคะเรื่องราวประสบการณ์กับสิ่งลี้ลับนะคะหรือว่าเรื่องผีเรื่องอะไรอย่างนี้นะคะก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายค่ะแต่ว่าจะขอนำเอาเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นเรื่องเล่าจากหลวงพ่อพุทธนิโยอีกเรื่องหนึ่งมาฝากคุณผู้ฟังกัน สมัยก่อนใครเดินผ่านวัดพอใกล้จะพ้นเขตบริเวณวัดจะต้องสลัดเท้าเอาฝุน่นเอาทรายออกไปไม่ให้ติดเข้าไปในบ้านเพราะว่ากลัวบาปถูกไหมคะคนเก่าคนแก่สมัยก่อนเนีคะเขากลัวบาปกลัวกรรมกลัวเวรกันถึงขนาดนั้นเลยนะแต่ว่าสมัยนี้ค่ะความกลัวบาปนี่น้อยลง อย่างกรณีค่าสัมมาเนยในวัดแห่งหนึ่งทางภาคใต้ที่สืบสาวราวเรื่องไปมากลับเชื่อมโยงไปถึงการแย่งชิงผลประโยชน์ภายในวัดก็มีข่าวการเอาเอาของสงฆ์ยักยอกเงินวัดเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆตามปกติเราก็จะถือกันมากเรื่องของวัดของสงฆ์เนี่ยใครจะมาเกี่ยวข้องกับผองสงฆ์จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากเกรงกลัวถึงความย่อยยับได้นะคะแม้ว่าจะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆดังเรื่องเล่าเรื่องเปรตลุงมาที่หลวงพ่อพุท ธ, ธานิโยเล่า ว, ว่า ในสมัยที่อาตจจมาเป็นพระภิกษุได้สองสามพรรษาอยู่นวัดป่าเหียงเวลานั้นก็ได้มีคนแก่คนหนึ่งชื่อว่าลุงมาได้มาอาศัยอยู่กับวัดเป็นเวลาหลายปีค่ะนับว่าเป็นคนแก่ที่ดีคนหนึง่งโดยที่แกเป็นคนไม่ถือตัวเป็นคนที่เชื่อฟังท้อยคำครูบาอาจารย์ขยันหมั่นปัดกวาดทำความสะอาดบริเวณวัดอยู่เสมออยู่ต่อมาวันหนึง่งลุงแกได้ไปกวาดที่เชิงธรณีพระาธาตุได้ทำหม้อประทิพแตกไปใบหนึ่ง แล้วลุงแกไม่ได้หามาใช้แทนให้โดยที่เข้าใจว่าเป็นของเล็กๆน้อยๆคงไม่เป็นอะไรครั้งอยู่ต่อมาไม่นานลุงแกก็เกิดล้มป่วยแล้วก็เสียชีวิตไปเมื่อลุงแกตายก็เป็นหน้าที่ของท่านครูบาเท่าเป็นประธานจัดการชาปนกิจศพนะคะหลังจากชาปนกิจศพให้เรียบร้อยแล้วตกถึงตอนกลางคืนของวันนั้นเป็นเวลาดึกประมาณหทุ่มเศษ ท่านครูบาก็ได้เข้าห้องจำวัดเรียบร้อยพวกเด็กวัดแล้วก็สา ม, มเณรก็พากันหลับไปหมดแล้วจะเหลืออยู่เพียงสองสองค์ก็คือท่านครูบามหาวันท่านครูบาอินทาจากักแล้วก็อัตมาซึ่งพากันดูหนังสืออยู่ในห้องนอนทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงของท่านครูบาเท่าร้องตะวัดขึ้นด้วยเสียงอันดังบอกว่าปูมาปูมาสองสาครั้งค่ะพร้อมกับได้ยินเสียงกระจกแตก พวกอัตอมาทั้งสามรีบลุกขึ้นจุดเทียนแล้วก็พากันไปยังห้องของท่านครูบาเท่าทันทีพอเปิดประตูเข้าไปก็เห็นท่านครูบาเนี่ยนอนงายในมือถือไม้แท้หวายแว่งไปแกว่งมาสังเกตดูตู้หนังสือที่อยู่ข้างๆท่านก็เห็นกระจกตู้แตกไปสองสามแผ่น ท่านครูบามหาวันเข้าไปใกล้แล้วก็ปลุกท่านท่านก็สะดุ้งตื่นแล้วก็พูดพึมพำรรออกมาบอกว่าเออผีตะปูมาเราเอาไปเผาแล้วมันกลับฟื้นขึ้นมามีร่างใหญ่โตมีเนื้อตัวถูกไฟไหม้เกรียมเป็นแห่งๆเข้ามาหาถามก็ไม่พูดไม่จามีแต่ครางเสียงเบาๆเห็นแกแล้วชี้มือไปทางด้านเสือแล้วก็หมอนที่วางกองไว้ปลายเท้าจับได้ไม้แทะหวายก็เลยหดไป เรื่องของลุงมาก็มีอยู่ว่าเมื่อแกมีชีวิตอยู่แกก็ได้ทำดวงหม้อประทีพให้แตกไปใบหนึ่งแกก็ได้มาบอกพร้อมกันนั้นก็ได้อนุญาตไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมต่อไปเพราะว่าเหตุใดจึงเป็นเปรตอีกละ่ะ หรือว่าบางทีแกอาจจะทําเสือผ้าปูที่นอนแล้วก็หมอนให้ชำรุดเสียหายก็เป็นได้ก็เป็นอันว่าในคืนนั้นทั้งคืนอัตมาทั้ง3ก็ได้นอนเฝ้าครูบาเท่าตลอดทั้งคืนด้วยเกรงว่าครูบาเท่าท่านจะไม่สบายใจหรือว่านอนไม่หลับพอสว่างแล้วท่านครูบาเท่าก็ได้ให้สัมเนนไปบอกลูกหลานของลุงมาให้ทราบเรื่องแล้วก็จัดการหาดวงประทีปหรือว่าหม้อประทีปเสือหมอนแล้วก็ผ้าปูนอนเพื่อถวายใช้แทนของวัดเรื่องก็เลยเงียบหายไป อะไรที่คนเรามักจะคิดว่าเล็กน้อยนั้นอย่าประมาทเชียว มันสามารถให้ผลได้เหมือนกันดังพุทธสุภาษิต ท, ที่ว่ายะดูหมิ่นความชื่อไว้เล็กน้อยคงจักไม่ยังผลมาสู่ตนขอบคุณทางด้านของผลแห่งวิบากกรรมสถาบันบรรลือธรรมด้วยนะคะเป็นข้อมูลอ้างอิงที่เรานําเรื่องราวที่หลวงพ่อพุทธท่านได้เมตตาเล่านะคะเพื่อเป็นธรรมทานมาให้กับคุณผู้ฟังในชาแนลพระเจอผีบนยูทูบได้ฟังกันคะ่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟังเรื่องราวต่างๆในช่องของเราด้วย ผิดพลาดการใดหรือว่าใช้คำพูดไม่โอเคหรือว่าไม่ถูกต้องยังไงก็ต้องกราบขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะสุขโขทยัยอดีตเมืองหลวงสมัยพ่อขุนรามคำแหงผู้คิดคนประดิษฐ์อักษรไทยแล้วก็ใครใครค้า ใ, ใครค่ขายหรือชาวบ้านมีเรื่องเดือดร้อนให้มาสั่นกระดิ่งที่แขวนอยู่หน้าพระราชวังและมีประวัติขอมดําดินโผล่ที่กลางลานวัดนะคะ เพราะเหตุเป็นเมืองหลวงจึงมักถูกศัตรูชาติพมา่าสมัยหงสาว ด, ดีเป็นราชธานีกรีธาทัพยกไพรพลทหารมารุกรานกรุงสุขโขทัยอยู่เนืองๆค่ะก็มีการรบราฆ่าฟันทหารทั้งสองฝ่ายแล้วก็ชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้อินโญอินเนก็ตายกันเป็นเบือละค่ะที่ค่ายเมืองเก่าเป็นคูคันดินสูงพอประมาณก็เต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็ต้นหญ้าขึ้นปกคลุมรุงรัง อดีตเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่เสมือนกำแพงหน้าด่านนะคะป้องกันพระราชวังสุโขทยัยเคยมีนักรบเสียชีวิตนับไม่ถ้วนเนื่องจากว่าต้องปกป้องด่านนี้ไว้มิให้ศัตรูบุกเข้าถึงพระราชวังสุโขทยัยซึ่งอยู่ห่างถัดเข้าไปหลายกิโลเมตร และที่กำแพงดินคูเมืองเก่านี้ก็มีเรื่องอาเพศอาถรรพ์เกิดขึ้นกับชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่ขับรถสัญจรผ่านไปมาตอนกลางคืนเป็นประจำหากผู้คนไม่ยกมือไหว้แสดงความเคารพแล้วก็บอกกล่าวก็จะถูกลงโทษนะคะอย่างเช่นมีการปรากฏตัวของสุนัขสีดำค่ะตัวใหญ่วิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดหรือว่ามีคนแก่ที่อยู่ๆโผล่มาจากข้างทาง เดินหน้าตาเฉยข้ามถนนผ่านหน้ารถที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงบ้านก็จะมีงูเหลือมยักษ์ตัวเข่งขนาดใหญ่ยาวหลายเมตรเลื้อยข้ามถนนพร้อมกับลูกงูจำนวนมากไม่สนใจว่าจะมีรถวิ่งผ่านหรือไม่นะคะ บางครั้งก็มีผู้หญิงพื้นเมืองมากับลูกเดินขายพวงมาลัยโบกมือเรียกให้จอดรถยามวิการหรือไม่อาจจะมีคนแต่งกายเป็นชุดนักรบมีดาบเป็นอาวุธถือโล่กำบังเดินขวักขวายไปมาที่กำแพงดินคูเมืองเก่าภาพที่เกิดจากอำนาจอันเร้นลับของผีสมัยโบราณที่ปรากฏตัวในยามวิการหรือว่าตอนกลางคืนให้กับชาวบ้านได้เห็น เรียกว่าเป็นการจงใจหรือไม่จงใจก็ถือว่ามีเจตนาต้องการจะหลอกไม่มีอะไรเป็นอย่างอื่นแน่นอนค่ะนอกจากคำว่าผีนะคะแล้วก็เคยมีคนขับรถเบรกไม่ทันค่ะพุ่งชนสิ่งที่กล่าวมานี้ภาพที่โดนรถชนลอยละลิ้วต่อหน้า ต, ต่อตาคนขับรถไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตค่ะแต่กระปรากฏนะคะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างมีแต่ความว่างเปล่า เป็นใครก็ต้องชะงนแล้วก็ต้องกลัวแง่แงนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นการหลอกของผีที่จังหวัดสุขโขทัยค่ะ แล้วก็มีคนเคยเห็นผีคนสมัยโบราณหลอกกันตอนกลางวันแสกๆในขณะเดินดูเมืองเก่าที่จังหวัดสุโขทัยนะคะซึ่งที่นั่นก็มีของเก่าแก่อายุนับพันพันปีที่ถูกสร้างขึ้นในสมัยสุโขทัยเรืองอำนาจเป็นราชธานีปกครองแผ่นดินสยามประเทศไม่ว่าจะเป็นพระราชวังาศาสนาสถานวัดวาอารามแล้วก็ถาวรวัตถุทางาศาสนาค่ะ ซากปราศรักหักพังเหล่านี้เหลือเพียงแต่ตำนานเมืองเก่าโบราณเท่านั้นที่ให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นอดีตแต่หารู้ไม่นะคะว่ามีบางสิ่งซ่อนเร้นแล้วก็แอบแฝงอยู่ในที่มืดที่รับตามนุษย์นั่นก็คือดวงวิญญาณหรือว่าผีนะคะด้วยเวลาผ่านมาพันกว่าปีแล้วสิ่งนี้ไม่ค่อยจะออกมาปรากฏให้ผู้ใดได้เห็นแล้วก็อาจจะมีคนเห็นแต่ว่าไม่เป็นข่าวก็มีความเป็นไปได้ด้วยประการทั้งปวงค่ะคนที่ไม่อาจจะเห็นผี ก็อาจจะมองเป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่เดือดร้อนไม่ทุกข์ใจแต่ว่ากับคนที่เคยเห็นผีก็ย่อมจะมีทุกข์ค่ะกลัวจะเกิดเรื่องร้ายเป็นโน่นเป็นนี่ขึ้นก็ต้องวิ่งโรไปให้หมอพระรดน้ำมนต์อาบน้ำมนต์ให้ผูกข้อมือกันเสนียดจันายให้ค่ะสําหรับผู้เล่ารายนี้ชื่อว่านจากักเป็นโยมพ่อของสามเณร น, น้อยชื่อคําปองได้เปิดเผยถึงผีที่ปรากฏตัวในเขตพระราชวังเดิมตอนกลางวันแสกๆให้เราฟังนะคะว่า ตัวของแกเองก็อายุมากแล้วผมก็หงอกเกือบจะเต็มศีรษะรอมร่อค่ะยังไม่เคยเห็นผีหรือว่าไม่เคยโดนผีหลอกสักครั้งสักคราก็เพิ่งจะมาเคยเจอผีหลอกกันจา่จาตอนกลางวันที่เมืองเก่าอดีตราชธานีสมัยสุขโขทยัยแกเองบอกว่าแกยังไม่ค่อยเชื่อสายตาแกเลยจะมีผีที่ไหนกล้าห า, ชานชาญชัยมาหลอกกันตอนกลางวันคลั้นเจอด้วยตัวเองเต็มลูกในตาไม่เชื่อก็ต้องเชื่อล่ะนะคะ วันนั้นแก บ, บอกว่าแกไปเยี่ยมลูกชายที่บวชเป็นสัมมนเนรที่วัดแล้วก็กินข้าวเพลนที่วัดด้วยก่อนจะเดินทางต่อที่เมืองเก่านะคะโดยรถมอเตอร์ไซค์กันคันเก่าสองจังหวะเพื่อจะไปเยี่ยมญาติซึ่งทํางานอยู่ที่เมืองเก่าพอไปถึงเมืองเก่าแกก็จอดรถไว้ในที่ที่ทางการจัดไว้ให้ก่อนจะไปแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่นะคะบอกว่ามาหาญาติค่ะเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าชมเมืองเก่าตามธรรมเนียม เจ้าหน้าที่ก็ให้แกไปเดินตามหาญาติเราเองซึ่งแกก็ไม่รู้ว่าญาติคนนี้ทํางานอยู่ตรงไหนและอนณาเขตของพระราชวังเมืองเก่าสุขโขทัยนั้นก็กว้างขวางมากแกเดินถามเจ้าหน้าที่คนนั้นคนนี้ไปเรื่อยแต่ก็ไม่มีใครเห็นญาติของแกเลยสักคนหนึ่งแกก็เลยตัดสินใจแวะไปดูพระพุทธรูปยืนประทับในเขตพระราชฐานมีนักท่องเที่ยวต่างชาติจํานวนไม่น้อยเดินกันขวักขว่ชมเมืองเก่าสุขโขทัยกันมากพอสมควร โดยมีไกด์คนไทยนำเที่ยวชมแล้วก็อธิบายถึงความเป็นไปเป็นมาเมืองเก่าสุขโขทยัยให้นักท่องเที่ยวต่างชาติฟังแล้วก็ได้เข้าใจนะคะแล้วแกก็เดินผ่านกาแพงเมืองเก่าที่สร้างด้วยอิฐมอนขนาดใหญ่ค่ะซึ่งก็เป็นบทเก่าแก่น่าเชื่อว่าจะมีอายุพอๆกับเมืองหลวงสุขโขทยัย แกก็เดินไปมองไปก็ทึ่งกับฝีมือคนสร้างนะคะบังเอิญเหลือบไปเห็นผู้ชายคนหนึ่งผมเผ่ายุ่งเหยิงนุ่งขาวห่วมขาวนั่งอยู่บนกำแพงวัดร้างมองเห็นใบหน้าไม่ค่อยชัดค่ะรู้แต่ว่ารูปร่างผอมบางผิวคล้ำเสื้อผ้าที่ชายคนนั้นใส่ก็เก่าค่ำครึ แกเงยหน้าขึ้นมองบนกำแพงก็เห็นชายคนนั้นยืนโบกมือทักทายเหมือนคนเคยรู้จักกันมาก่อนตอนแรกแกก็นึกว่าเป็นคนบ้าเสียสติไม่ดีแอบขึ้นไปนั่งบนกำแพงวัดโบราณถ้าเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลมาเห็นเข้าคงจะเอาหนังสติกยิงให้ลงมานะคะเพราะว่าสถานที่บริเวณแห่งนี้จะห้ามมีให้ผู้ใดปีนป่ายขึ้นไปเนื่องจากว่าเป็นถาวรวัตถุโบราณที่ห่วงห้าม แต่ว่าผู้ชายคนดังกล่าวค่ะปีนขึ้นไปนั่งบนกำแพงวัดโบราณ น, นั้นได้อย่างไรสูงก็สูงหลายเมตรและกำแพงนี้ก็อยู่ติดกับโบสถ์วัดเก่าถ้าใครจะปีนต้องใช้บันไดายาวพาดถึงจะปีนขึ้นไปได้แต่ว่าผู้ชายคนนี้ค่ะที่นุ่งขาวห่วมขาวเนี่ยปีนขึ้นไปบนสันของกำแพงเก่านี้ได้อย่างไรเรียกว่าน่านับถือฝีมือต้องไม่ธรรมดานะคะขณะนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติฝรั่งกลุ่มนึงเดินผ่านมา ก็พากันถ่ายรูปวัดเก่าแล้วก็ศาสนาสถานต่างๆไว้เป็นที่ยระลึกแกก็เลยชี้มือไปยังกำแพงวัดบอกกับไกด์นาเที่ยวว่าบนกำแพงมีคนนุ่งขาวห่วมขาวนั่งอยู่ไม่เห็นกันหรอกหรือไกด์นาเที่ยวคนไทยของบริษัทนําเที่ยวแห่งหนึ่งมองไปตามที่มือแกชี้เนี่ยพร้อมกับทําหน้าแปลกๆแล้วก็สงสยัยก่อนจะเอ่ยขึ้นบอกว่าไม่เห็นมีใครเลยหนีลุงตาฝาดไปหรือเปล่าครับ แกยืนยันกับไกด์านาเที่ยวนะคะว่าชายคนนั้นเนี่ยยังคงนั่งห้อยขาอยู่บนกำแพงไกด์านาเที่ยวยืนกระต่ายขาเดียวเลยค่ะคุณผู้ฟังบอกว่าไม่เห็นผู้ชายนุ่งขาวห่วมขาวคนดังกล่าวเลยแกเองสับสนแล้วก็มึนงงไปหมดเอ๊ะทำไมถึงเห็นผู้ชายคนนี้แต่ว่าคนอื่นกลับมองไม่เห็น หรือว่าชายคนนั้นจะเป็นผีจงใจเจตนาให้แกเห็นอยู่คนเดียวก็เล่นเอาแกถึงกับคนลุกเลยละค่ะรีบถอยหลังเดินล่าออกจากที่นั่นทันทีก่อนที่ผีตนนั้นจะแผลงฤทธเดชหลอกแกถึงกับจับไข้หัวโรนส่วนไกด์นำเที่ยวกับฝรั่งจะมองเห็นผีตนนั้นหรือไม่ก็ช่างเวลานี้แกบอกว่าแกขอเอาตัวรอดก่อนคนเดียวเพื่อความปลอดภยัย แกก็เลยเดินผ่าออกจากกำแพงเมืองเก่าค่ะที่ผีตนนั้นเนี่ยนั่งห้อยขาโบกไม้โบกมือให้ไกลพอประมาณพอเห็นว่าปลอดภัยก็เลยหย่อนตัวลงไปนั่งบนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่ใกล้ ก, กันกับร้านขายของในเมืองเก่าด้วยหัวใจที่เต้นระทึกเม็ดเหงื่อผุดเต็มตัวร้อนเผาไปทั่วสพังกายแกนั่งหายใจสูดอากาศบริสุทธิ์เข้าเต็มปอดแล้วก็ทอดสายตาไป ร, บรอบๆอาณาจักรเมืองเก่าสุขโขทยัยเห็นญาติแกเนี่ยถือถุงสีดําเดินตรงมาหา เมื่อเจอกันแล้วก็พูดคุยกันเรื่องอื่นซะมากกว่าจนแกลืมนะคะที่จะเล่าเรื่องอผีชุดขาวที่นั่งอยู่บนกำแพงวัดใหญ่ให้ญาติแกฟังก่อนจะแยกแย้ายกันไปจนแกขับรถมอเตอร์ไซค์มาถึงบ้านก็เลยนึกขึ้นได้ครั้นจะกลับไปหาญาติเพื่อที่จะเล่าเรื่องให้ฟังก็ไม่เห็นว่ามันจะสมควรตรงไหนนะคะก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้ค่อยถามญาติวันหน้า จนทุกวันนี้ก็ยังไม่เคยเอาเรื่องที่แกเห็นผีชุดขาวมานั่งโบกมือบนกำแพงวัดเก่าให้ญาติฟังก็เพิ่งจะมาเล่าให้เราฟังเป็นที่แรกค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตที่พระราชวังเมืองเก่าสุขโขทยัยที่ผู้เล่าเห็นผีชุดขาวปรากฏตัวหลอกตอนกลางวันแสกๆทั้งที่ผีเนี่ยน่าจะหลอกกันตอนกลางคืนซึ่งจะทาให้คนโดนหลอกกลัวผีขี้หดตดหายกันเลยก็ได้นะคะ แต่ด้วยความเห็นส่วนตัวตอนกลางคืนอาจจะไม่มีคนค่ะผีก็เลยไม่ได้หลอกประมาณนี้หรือเปล่าพอตอนกลางวันคนเยอะหน่อยก็เลยหลอกละกันตอนกลางคืนเหงาไม่ได้หลอกนะคะมาหลอกตอนกลางวันอ่ะเรื่องนี้จะจริงหรือไม่จริงคุณผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังก็แล้วกันนะคะแต่ว่าเรื่องนี้ผู้เล่าเองก็ยังคงยืนยนนะะันบอกว่าเป็นเรื่องที่ประสบพบเจอมาด้วยตัวเอง สองลูกตาเนี่ยเห็นกันจริงๆแล้วก็เห็นกันจะจะนะคะที่โบราณสถานเป็นวัดเก่านะคะที่จังหวัดสุขโขทัยแต่ว่าไม่ขออนุญาตเปิดเผยชื่อวัดเก่าแห่งนี้นะคะ เรื่องราวแปลกๆนะคะจากสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาอีกเรื่องหนึ่งค่ะพาคุณผู้ฟังไปที่อําเภอบ้านเข้าค่ะตอนผีสาวหญิงไม่หลอกนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดชายภูมิค่ะเพราะว่ามีคําเล่าขานเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานกันอยู่หนาหูนะคะ บอกว่ามีเมืองที่เพียบพร้อมไปด้วยสตรีงามเท็จจริงประการใดนะคะก็แล้วแต่คุณผู้ฟังเนาะแต่สัดใจเอาเองนะคะบีมีหน้าที่เล่าให้ฟังไม่ได้ชักจูงให้เชื่อหรือว่าอย่างไรแต่ว่าก็เคยได้ยินตำนานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาเหมือนกัน ที่อำเภอบ้านข้าค่ะชาวบ้านที่นี่เปี่ยมด้วยจิตเอื้ออาทรต่อแขกผู้มาเยือนหากว่ามาแบบคิดไม่ดีไม่ร้ายนะคะก็จะพบกับภัยพิบัติจากอำนาจเหนือธรรมชาติเป็นเมืองที่ต้องคำสาปมาตั้งแต่โบราณแล้วก็อะไรที่อยู่เหนือธรรมชาติไม่มีใครรู้นะคะงั้นก็จะมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังกันค่ะกับผู้ที่เปิดเผยความลี้ลับของอาเภอบา้านข้า สมมุตินามว่าน้าประสงหรือว่าน้าสงนะคะเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยสัมผัสกับความลี้ลับมาแล้วในอดีตเนี่ยแกเคยเล่าให้เราฟังนะคะแกบอกว่าแกเป็นคนขับรถ10บล้อส่งของให้เท่าแกไปตามที่ลูกค้าสั่งไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือว่าอยู่ไกลแกไปได้หมดเลยค่ะโดยมีลูกน้องตามไปด้วยสองคนสำหรับคนส่งสินค้าลงจากรถ แกขับรถสิบล้อมาหลายปีค่ะจนแทบจะมองทะลุถนนทุกสายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนอะไรยังไงคือแกรู้เส้นทางหมดนะคะเส้นทางไหนอันตรายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งแกก็จะรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีตและสิ่งที่แกเพิ่งจะเคยเจอมาเป็นผีหญิงสาวที่อำเภอบ้านข้าวพบข้าวันหนึ่งแกมากับลูกน้องคนขับรถสิล้อคันนี้แหละ จะกลับบ้านเท่าแก่หลังจากลงสินค้าหมดแล้วแต่บังเอิญนะคะว่ารถมาเสียกลางคันที่อำเภอ บ, บ้านข้าวซ่อมไม่ได้ค่ะจะมืดซะก่อนหรือว่าถ้าซ่อมได้คงจะขับรถต่อไปไม่ดีแน่เพราะว่าเป็นช่วงเวลากลางคืนเช่นนี้เพราะว่าในหลายเส้นทางมีพวกคนร้ายคอยดักปล้นจี้รถไปแล้วก็ยังฆ่าคนขับรถด้วยเรื่องร้ายเช่นนี้เกิดขึ้นประจําค่ะจนเป็นที่หวาดกลัวของคนขับรถ10บล้อเพราะฉะนั้นนะคะพวกเขาก็เลยขับเฉพาะตอนกลางวัน ส่วนตอนกลางคืนจะไม่มีใครเสี่ยงขับนะคะก็จอดริมถนนพักค้างคืนซึ่งไม่ใช่ที่เปลี่ยวมีบ้านคนอยู่เต็มไปหมดมีผู้ชายวัย้50ปีเสร็จน่าจะเป็นกำนันตำบล น, นี้แหละถือปืนลูกซองมากับลูกบ้าน3คนพร้อมกับแสดงตนนะคะว่าตัวเองเนี่ยเป็นกำ น, นันแล้วก็แนะนำผู้ติดตามมาด้วยว่าเป็นสารวัตกำ น, นันแล้วก็ผู้ช่วย แกกับลูกน้องยกมือไหว้ฝากเนื้อฝากตัวในฐานะคนต่างถิ่นค่ะกำนันผู้นี้กว้างขวางแต่ว่าใจนักเลงเหลือเกินชวนแกกับลูกน้องไปนอนที่บ้านแล้วก็รับประกัน ร, รถสิล้อไม่หายเป็นอันขาดแกไม่อยากขัดศรัทธาเนาะเพราะว่ากำนันก็หวังดีก็เลยตอบตกลงกำนันไปแล้วก็บอกว่าจะตามไปทีหลังให้กำนันกับพวกไปก่อน กำนันกับพวกก็เดินผลาไปตรวจตราความสงบเรียบร้อยตามหน้าที่ห่จนหายลับไปกับความมืดสลัวแกกับลูกน้องก็ช่วยกันเก็บเครื่องหมาเครื่องมือที่เอามาซ่อมเครื่องยนต์ให้เข้าที่ซะก่อนพอเสร็จเตรียมตัวจะไปบ้านกำนันพอดีมีผู้หญิงสาวสองคนหน้าตาสวยสดงดงามค่ะโผล่มาจากไหนไม่รู้มายืนยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ให้แก่กับลูกน้องลูกน้องก็มองหน้าแกก่อนจะเอ่ยปากขึ้นบอกว่าเอาอยัางไงดีครับลูกพี่แกผ่านประสบการณ์เรื่องผู้หญิงมาเยอะ ก็เลยพูดเบาๆพอได้ยินกันเพียงสองคนบอกว่าแบ่งกันคนละคนสิว่เจ้าเผือกแกกับลูกน้องนี่ไม่รีรอเสียเวลารีบเดินปรีเข้าไปหาผู้หญิงสาวสองคนนี้ทันทีแกทักทายทั้งสองคนตามธรรมเนียมก็พูดคุยกันจนถูกคอเหมือนลูกกระเดือกกับคอหอยอยังไงยังงั้นสนางชวนแกกับลูกน้องไปที่บ้านค่ะมีเหรอคะที่หนุ่มกลัดมันแบบนี้จะปฏิเสธ แกกับลูกน้องก็เลยต้องรีบรับคำทันควันเรื่องดีๆแบบนี้มีหรอจะปล่อยให้เสียโอกาส2หล่อนก็พาแกกับลูกน้องเดินฝ่าความมืดที่สลัวไปแต่ว่าหน้าแปลกนะะีคะทางที่ไปนี่มันขรุขระมีหลุมมีบ่อแล้วก็มีหญ้าขึ้นเต็มไปหมดมองไปรอบๆตัวมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่แล้วก็จะมีบ้านคนก็อยู่ประปรายชะโงนใจปนสงสัยแต่ไม่กล้าถามเกรงว่าจะขัดใจเธอเปล่าๆก็เลยหุบ ป, ปากเงียบ เมื่อพวกเธอเดินก็เดินอย่างเดียวเดินมานานค่ะจนเหงื่อไหลเหงื่อผุดเต็มแผ่นหลังจนถึงบ้านพวกเธอพาขึ้นบนบ้านเธอก็จุดเทียนตั้งไว้กลางบ้านค่อนข้างจะเก่าไม่มีใครอยู่บ้านเธอสักคนเลยเธอตักน้ำมาบริการให้กับลูกน้องดื่มแล้วก็นั่งคุยกันคนละคู่นะคะจนดึกแล้วก็ลงเอยมีความสุขแฮปปี้ค่ะทั้งสองคนเลยทั้งลูกพี่ลูกน้อง สะดุ้งตื่นตกใจเมื่อมีน้ํำค้างเย็นๆมาพรมตัวจนเกิดเปียกพยุงตัวลุกขึ้นมองไปเห็นลูกน้องนอนกอดขอนไม้อยู่ก็เลยเอะใจมองไปรอบๆไม่มีผู้หญิงคนที่แกนอนด้วยมีแค่ขอนไม้วางอยู่ในใจก็เลยฉุกคิดขึ้นว่าตายละสิตูเสียท่าโดนผีผู้หญิงหลอกเข้าแล้วแกก็เลยผลุนผันลุกขึ้นไปปลุกลูกน้องที่นอนกอดขอนไม้ไอ้เจ้าเผือกลูกน้องแกก็สลืมสลือห่ะกาลังนอนฝันหวานเข้าได้เข้าเข็มโดนปลุกขึ้นมาก็เสียอารมณ์ อาปากกำลังจะต่อว่าคนที่มาปลุกแกรีบเอามืออุดปากเจ้าเผือกไว้และพูดกระซิบเบาๆข้างหูบอกว่าเผือกถ้าจะไม่ดีแล้วรีบเพ่นจากที่นี่ก่อนเถอะเมื่อปลอดภัยแล้วข้าจะเล่าให้เอ็งฟังทีหลัง จากนั้นทั้งสองคนเนี่ยค่ก็พากันเดินย่องเบาลงจากบ้านเก่าๆหลังนั้นพอเท้าเดินแตะดินเท่านั้นละ่ะรีบเพ่นหนีไปจากที่นั่นโดยเร็วเวลานี้ต้องการจะเดินหนีให้ไกลจากบ้านหลังนี้คลําทางเดินขอให้มีทางไปก็พอทั้งที่ไม่รู้หรอกนะฮะว่าจะไปที่ไหนแกกับเจ้าเผือกก็เลยเดินวนไปวกมาเดินวนไปวกมากลับมาที่บ้านหลังเก่า แกกับเจ้าเผือกไม่ละความพยายามค่ะหาทางออกจากบ้านหลังนั้นครั้นพอเดินได้ไประยะหนึ่งพวกเขาก็เดินวกกลับมาที่เดิมอีกเหมือนว่าผีสาวสองตนนั้นจงใจจะให้พวกเขาหลงทางนะคะเดินกลับมาที่เก่าแก่หมดหนทางคิดอะไรไม่ออกยอมรับค่ะว่าเวลานั้นสมองตื้อแล้วก็มึนไปหมดจนเจ้าเผือกลูกน้องคู่ใจที่แกเห็นว่ามันเป็นกรรมกรแบกหามใช้แต่กําลังอย่างเดียวเท่านั้นมันกลายเป็นฮีโร่ยามขับขันกระซิบบอกนะคะว่าลูกพี่ไม่มีวิชาอาคมหรอครับ เท่านั้นแหละค่ะแกนึกสติขึ้นมาได้บอกว่าเออตัวเองก็พอมีวิชาติดตัวอยู่บ้างแกขอบใจเจ้าเผือกที่ให้สติแกรีบยกมือพนมไหว้ระลึกถึงพ่อแม่แล้วก็บอกครูบาอาจารย์ก่อนจะบริกรรมคาถาหลายบทจนครบคาบก็เลยเป่าลมปราณอาคมไปรอบๆตัว3ามครั้งเพื่อสยบผีสองนางเปิดทางให้แล้วหูแกก็แว่วได้ยินเสียงกรีดร้องดังแผ่วเบามาจากบนบ้านแสดงว่าผีสองนางนี่เจอฤทธิ์เดชเวทมนต์เข้าแล้วค่ะ เสียงกรีดร้องผู้หญิงเงียบหายไปแก่กับเจ้าเผือกรอดูท่าทีว่าผีสองตัวเนี่ยจะแสดงเดชอำนาจต่อไปอย่างไรแต่ว่าทุกอย่างเงียบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแกก็ค่อยๆมองเห็นถนนเป็นทางยาวก็แสดงว่าผีสาวสองนางเนี่ยเปิดทางให้แกแล้วแกก็เลยตัดสินใจค่ะรีบเห็นไปจากที่นั่นทันทีชนิดกึ่งวิ่งกึ่งเดินมาจนถึงถนนใหญ่เห็นรถจีบล้อจอดอยู่แกกับเจ้าเผือกค่อยๆหายใจโล่งขึ้นมานะคะ พร้อมกับอุทานกับเจ้าเผือกลูกน้องคู่ใจบอกรอดตายแล้วเว้ยเผือกคืนนั้นแกกับเจ้าเผือกนอนขนลุกอยู่ในรถจนสว่างค่ะมาตื่นตอนที่มีพระสงฆ์กับสมณีนอุ้มบาทมาบินธบาทตามบ้านแกกับลูกน้องซ่อมรถต่อจนใช้งานได้ก็ขับรถสิบล้อกลับบ้านเท่าแก่เหตุการณ์นั้นเป็นเพียงบางส่วนนะคะที่ผู้เล่าเจอมาในอดีตแล้วก็ฝากบอกเตือนผู้ที่ตกอยู่ในภาวะจำยอมยามวิกาลบอกว่าจงระวังตัวไว้บางทีนีคะอาจจะไม่ได้มีโจรขโมยผู้ร้าย แต่โชคดีกว่านั้นค่ะอาจจะมีผีปลอมตัวมาหลอกสารพัดรูปแบบเหมือนที่นสงสงแล้วก็ไอ้เผือกเจอมานั่นเองนะคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะวันนี้ซุ้มเสียงอาจจะยังไม่ค่อยหายดีเท่าที่ควรแต่ว่าก็คิดถึงคุณผู้ฟังค่ะพอลุกขึ้นได้ร่างกายมีเรียวมีแรงนิดนึงก็เริ่ม ดำเนินการเล่าเรื่องราวต่างๆแล้วก็อัพลง YouTube ให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณนะคะสำหรับผู้ที่กดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีด้วยยังไงขอฝากช่องเล็กๆช่องนี้ช่องพระเจอผีไว้ในอ้อมอกอ้อมใจคุณผู้ฟังทุกๆท่านผิดพลาดประการใดกราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ